เจริญท okay, <Right. S 1> mm ําสำนึกดีพี่น้องสู่รังสุขภาพท่านครับการินด่นตนรับพี่น้องเข้าสู่ศูนย์เรียนรู้สุขภาพขุ้นตนแนวแกลเกษตรกรอภียงสวนป่านาบูอำเภอต่าตัจังหวัดมุกดาหารศูนย์แห่งนี้เนี่ยก็เน้นเรื่องการเรียนรู้สุขภาพขุ้นตน านนตามแนวสศรษฐีพอเพียงหรือถ้าเรียกเรียกชื่อแบบสั้นๆไม่ต้องเรียกชื่อยาวเป็นหน่วยแพทย์พิธีพุทอันนี้เรียกเรียกเป็นๆๆแบบสั้นๆนะก็เรียกว่าหน่วยแพทยิพุทธเอางหน่วยแพทย์พิธีพุทธนั้นเรียนรู้เรื่องของการสร้างสุขภาพเนี่ยแนเวเศรษฐีอนนพอเพียงนะครับจะเป็นเป็นหน่วยแพทย์พิธีพุทธของของโรงพยาบาลแม่โจเรนครับแล้วก็ของสถาบันพุทธิยม ที่เป็นของโรงพยาบาลมาเจริญก็เพราะว่ า, าทานผู้ในการโรงพยาบาลเนี่ยทา่ทานท่านก็เห็นว่าโครงการที่เป็นโครงการที่ดีนะครับท่านก็เลยสร้าสนุนให้ทำโครงการเยี่ยนเนี่ย เป็นนวัตกรรมเด่นนะเป็นโครงการเด่นของโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพะเจริญนะจะแปลงเนื้อมาทําที่จังหวัดพุทธาหารจะเป็นเครือส่ายของโรงพยาบาลพระแม่เจริญนะตรงนี้เพื่อการทัานได้ทำเป็นงานเด่นของโรงพยาบาลความจริงแล้วถ้าพูดที่ประทีปมาสั้นๆนิดเดียวคือว่าจริงแล้วผมทําเรื่องนี้มาสิบกว่าปีนะสิบสี่ปีที่เริ่มเรียนรู้เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก นะครับแล้วก็บูรณาการการท่าทุกแผนเราปฏิบัติมาก็ทํามาอีกสิบสี่ปีแล้ ก, ก็ได้ได้ได้ผลมาเรื่อยสร็จแล้วพูดกันผมก็รู้สึกว่าการทํางานในระบบราชการมันลำบากก็เลยเวลาออกจากาการการปกครองพิบาลอัลเจเนร์เอาเวลาออกพูดกันนั่นก็เห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีท่าทายว่าทาําไมต้องลาออกผมก็เลยบอกว่าลาออกเพื่อไปช่วยประชาชนให้มีสุขภาพดี ก็จนะแบบแปลกๆนลาออกจากหน่วยงานที่ทาเรื่องสุขภาพนะแล้วไปทาเรื่องสุภาพมันแปลว่าเออนะมันก็เป็นเ ร, รื่องแปลกๆเราเห็นผลลาออกคือ้ไเหตุผลการลาออกเสื้อิบติงานสารสิ่งสิ่งอื่น นี่งงไปใหญ่นะแล้วจะให้ผมรายงานเจ้านายไงก็บอกแล้วผมจะให้รายงานเจ้านายรายงานผู้บ่ายไงรายงานกระทรวงไ ง, งก็เป็นผลแปลกๆแต่มันคือเรื่องจริงมันก็รู้ว่ามันคือเรื่องจริงถ้าเรามีอิสระในการทํางานเนี่ยมันจะช่วยประชาชนให้ดีขึ้น ผมก็พูยกับท่านว่ามันมีกรอบเยอะแยะในระบบราชการที่จะทําให้เราทํางานลําบากทําให้เราช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ลําบากผมก็พูดอย่างนี้นะผมเกิดมาผมก็พูดกับผู้บริหารเลยครับผมเกิดมาเนี่ยผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะรับราชการหรือไม่รับราชการรับเงินเดือนหรือไม่รับเงินเดือนไม่ใช่เป้าหมายของผมผมอกเป้าหมายผมเกิดมาเพื่อช่วยให้คนมีสุขภาพดีมีเป้าหมายเดีเดยว เกิดมาในชาตินี้ผมบังเพ็ญเรื่องเดียวเรื่องเนี้ยช่วยให้คนมีสุขภาพดีนอกนั้นไม่ใช่กิจของผมเพราะงั้นอะไรก็ตามที่ขัดขวางการช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีผมก็ย่อมไม่ไ ม, ไม่ไม่อยู่ในองค์กรนั้นหรือสิ่งนั้นกับต้องคุยกับท่านท่านจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องของการเนี่ยที่ที่ทำตอนนี้เคืออะไรที่ทําอำตอนนี้ก็คือว่าทําการเราสร้างสุขภาพเนี่ยด้วยการ เรื่การเอาองค์ความรู้สูภาพทุกแผนนะครับแผนปัจจุบันแผนไทยแผนทางเลือกเนี่ยเอาจุดดีของทุกแผนเนี่ยมาบูรณาการด้วยธรรมะใช้ธรรมะมาบูรณาการเอาจุดดีของทุกแผนเนี่ยมาบูรณาการด้วยธรรมะและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผมบอกว่ามันลดปัญหาได้ 70- ็ดสถึงเกผมจะเล่าให้ผู้ในการฟังเนี่ยนะครับแล้วก็เอาข้อมูลให้เอาสลักานหลักฐานให้ เออท่านก็บอกว่าอันเป็โครงการที่ดีเนี่ยบอกมันก็เนี่ยวิถีพุทธเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนี่ยมันก็ดีเนี่ยในกว่าเนี่ยนะแลมันก็ลดปัญหาได้อย่างเงี้ยประหยัดอย่างเงี้มันก็ดีเนี่ยในกวานอย่างเง้วเรจะต้องลาออกทำไมครับผมก็เลยทํางานยาก ก, กานันอย่างระบบกราชการทํางานยากต้องเซ็นชื่อต้องอะไรสารพัดหลายเรื่องหลายรานว มันลํำบากมันมีกอบมีอะไรลําบากเยอะแยะมากมายเลยเลยบอกขอลาออกก็แล้วกันโดยเชื่อประชาชนท่านก็เลยตัดสินใจว่าอ่าแต่ผมก็ยังไม่อยากให้ออกลำบากงผมยังไม่อยากให้ออกลำบากเงี้ ย, อยออ เ, เอาอย่างนี้ได้ไหมทาา่านก็ว่า คุณก็ทําไร้กรอบไปเลยไรระบบระเบียบไรกรอบไปเลยคุณทำไรระบบระเบียบไรกรอบไปเลยสั้งหมดคุณทำนอกกรอบเลยไม่ต้องติดกรอบอะไรเป็นสิ้นกันไปเลยไม่ต้องมาเซ็นชื่อทํางานไม่ต้องมาอะไรสิ้นคุณด้วยฝังตัวที่สถตว์ป่านาบุญเลยนะแล้วก็ทำงานนี้ไปเลยทั้งหนะให้เป็นโครงการเด่นของโรงพยาบาลเลยหวันนี้แต่ก็เปรี้ยงมาตรงนี้เลยขออย่างเดียวขอให้คุณยังมีชื่ออยู่ในล่าเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลท่านนันทองนะครับขอวหอแค่นี้แหละ แล้วก็ให้แล้วก็ให้บอกว่าให้ให้ผลงานเป็นของโรงพยาบาลกัวางอย่นไอเราไมมีปัญหาในผลงานของโรงพยาบาลเอาไปเลยผลงานของโรงพยาบาลเราไม่มีปัญหาเพราะเราไม่อยากได้ผลงานเราไม่ได้อยางได้ผลงานอะไรไม่ได้อยากได้ซีไม่ได้ยังได้คันอะไรก็อยากให้คนมีความพากสุดเป้าหมายของคนละเรื่องมันไม่ใช่ซีไม่ใช่ขั้นไม่ใช่ผลงานแต่เป้าหมายเราคือทำให้คนมีความพากสุดแค่นั้นเองแค่นี้ก็บรรลุเป้าหมายแล้วในในในความคิดของเราถ้าคนมีความพากสุด ท่านเสนอมาอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นความใจกว้างของผู้โดยกาเป็นความอุดมการณ์ที่ตรงกันมันเป็นความเป็นอะไรนะจินตนาการที่ตรงกั น, น, น, ว, น, นะ น, กนว่ายัางไงก็ได้เพราะว่าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขคืออะไรทําให้คนมีสุขภาพดีใช่ไหมทําให้ประชาชนมีสุขภาพดีคือหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขต้องบาลกระสํากัดกระทรวงสาธารณสุข ก็คือว่าเออเราเราก็เห็นความใจกว้างแล้วก็เห็นปฏิภาณในความชานฉลาดนะของผู้ในการว่าแ้วท่านมีความใจกว้างว่าไม่ติดก่อบขออะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนคือมันคือป้าหมายของกระทาธาสุข น, นี่คือประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นนําใจของผู้ในการเห็นความใจกว้างอีกประเด็นหนึ่งผมเห็นปฏิภาณปฏิภาณของผู้ในการว่าเอ อ, อมีปฏิภาณรื้อลายเรื่องนะว่า มันจะเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นมากกว่ามากกว่าที่จะให้ผมมาทำโดยที่โดยที่ไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลนะลางออกมาผมว่าท่านท่านมีปฏิพันธ์คืออย่างน้อยที่สุดถ้าคิดเราอย่างง่ายๆนะถ้าจ้างผมคนเดียวสมมติพูดแบบโลกๆนะ ผมคนเดียวแล้วมีคนมาช่วยเป็นสิบเป็นยี่สิบเนี่ยคุณว่ามันคุ้มเลยผมคุม้มนะอย่างน้อยสิบยิคนแนละตามมาช่วยแบบปีๆและะ้วจ้างเราคนเดียวนะได้คนมาช่วยเป็นสิเป็นยี่สิเลยเพราะทีมงานของเราก็เป็นคนจริงๆทีมงานเรามากกวานั้นจริงกระจายตามที่ต่างๆในประเทศไทยเยอะแยะเลหมดเลยไอ้จ้างเราคนเดียวนะี่ได้คนช่วยกั้เยอะเลยไม่ต้ไม่ต้องเสียตังจ้างนะมันก็คุ้มเลยนะนี่ถ้าพูดถึงเรื่องของการจ้างนะแต่พูดถึงสิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นมากกว่านั้นก็คือ สิ่งที่ปรชานนเป็นได้แล้วนะครับท่านก็มีปฏิภาณก็รู้สึกว่าท่านเป็นผู้บริการที่ใจกว้างใจกว้างผมก็เลยครับรับรับหลักการท่านได้ผมก็องบอกตกลงท่านผมอยู่ต่อก็ได้นะถ้าถ้าการอยู่ในโรงพยาบาลของผมเนี่ยไม่ขัดขวางต่อการช่วยประชาชนนะแต่เมื่อไหร่โรงพยาบาลขัดขวางผมไม่ให้ช่วยประชาชนไม่ให้ประชาชนมีสุขภาพดีเมื่อนั้นผมขอลาออกนะเมื่อไหร่เกิดปัญหาขึ้นทำให้ผมช่วยประชาชนลําบากผมขอลาออก ท่านก็บอกได้ได้ัด <c oughs> ูใครว่าเป็นต้นวันดูวันรุ่นนี้ท่านอาจจะมาเยี่ยมนะท่นานอาจจะมาเยี่ยมะจะมีบริการโรงพยาบาลแล้วก็แพทย์ที่เป็นอยู่ในฝ่ายอะไรต่างๆผู้บริหารด้านๆรุ่นนี้อาจจะเป็นรุ่นที่ทางโรงพยาบาลจะมาเยี่ยมอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าจะวางแผนกันที่จะมามาพบปะพูดคุยทักทยพี่น้องในค่ายทางโรงพยาบาลโทรมาบอกเหมือนกัน ก็ว่าเออผู้โดยการโรงพยาบาลจะจะมาเยี่ยมมาอะไรก็อาจาจะได้เจ อ, อา จ, าจะได้เจอแต่ไม่รู้วันไหนอาจาจะเป็นวันท้ายๆจะเป็นวันไท้า ย, ายนะจะได้เจอผู้โดยการโรงพยาบาลกับทีมงานของโรงพยาบาลครับจะมาเยี่ยมยามทำขาวกันมาพบปะที่นอนเราด้วยส่วนหนึ่งท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงจะมาในเดือนกรกฎาครับเดือนหน้านี้เองพอมาวันที่สิบสามถึงสิบห้ายังไงนี่แหละเนะี ซึ่งต่อกับค่ายรุ่นรุ่นต่อไปของเราพอดีเพราะรุ่นต่อไปเราที่สิบ็ดที่สิบเจ็ดพอดีท่านผูรร้บรยการโรงพยาบาลก็แทงนซื้อมานะเกษรนังสือมาให้ผมเนี่ยงานนําเสนอเรื่องเนี้ยนะครับกับผู้ผู้ตวรวจราชการกระทรวงนําเสนอเรื่องเนี้เรื่องที่เราทําเนี่ยนะการสร้างคภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์ุสิุทเนี่ยซึ่งเป็นโครงการเด่นของโรงพยาบาลเนี่ยมันมันในผมนำเสนอเร่องนั้น ก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดผลยังไงนำเสนอไปจริงตอนนี้ผมยังไม่อยากนําเสนออะไรมากมายนะจ๊ะรอกมันมันจะทําให้กว้างเกินไปจะทําให้กว้างเกินไปแต่ฟ้าก็ไม่ค่ยจะยอมให้ผมแค่ตอนนี้ก็เลยจะทำยังไงผมพยายามที่จะทําให้เล็กๆพูดก็พูดนะจริงๆชีวิตผมมีนี่พูดใจใฝังนิดนึงผมก็อยากจะ ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะผมมีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมเท่านั้นเองแล้วก็ผมไม่อยากจะทำใหญ่เลยครับเล็กๆอยากจะเป็นคนที่มีประโยชน์กับสังคมแล้วก็ทำเล็กๆไปแล้วก็ตายไปกับสิ่งนั้นก็จบไปนะไม่ได้อยากให้คนรู้จักมากมายอะไรอยากเป็นคนเสียสละอยากจะทำประโยชน์อยเสียสละไม่อยากจะเอาอะไรกับโลกอะอยากจะมีความรู้สึกว่าเท่ารักใช้โลกได้โดยที่ไม่ต้องเอาอะไรกับโลกอะ พัดใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วเป็นกลุ่มเล็กๆล็กๆไม่ต้องใหญ่อะเล็กๆๆไปโอ้มันเป็นอะไรมันเป็นพบเป็นความฝันนะผมอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงวันนี้ความฝันผมสูญสลายแล้ะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยไม่มีทเป็นไปได้เลยใช่ทุกคนที่นี่มันเป็นไปได้อีกอันเดียวก็คือมาเสียตลาดเพราะว่าทุกคนที่นี่ทํางานสูญบาตรไปหมดไม่มีใครรับเงินสักบาทนะครับจากการทํางานที่นี้นะการมาทําการแพทรกีฬาพุทอันนี้เนี่ยทุกคน เป็นที่เป็นทีมงานของพวกเราในศูนย์บ่ายทุกคนนะครับเพรามีกดเหล็กเลยว่าถ้าใครรับเงินรับทองนะแม้แต่ขรึ่งทะลึงนะเชิญจะไปไหนก็ไปเลยเพราะว่าเราจะมาฝึกเสือสินสิตกันเสือสินสิก็คือไม่รับเงินไม่รับทองนะครับคือใครรับเงินรับทองส่วนตัวนะครับอันนี้รับส่วนตัวไม่ได้งานแต่ถ้าเป็นกองบุญส่วนกลางไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่จะไปที่จะ รับเข้ากองบุญส่วนกางนี่คือมหาแปลว่ารับเข้าส่สนานาวสนตัวไม่ได้นี่ยกองบุญส่วนกางที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมะาได้ทุกคนก็มาทํางานศูนย์บาทก็ตรงนี้ก็ทําสําเร็จนะฮะทาสำเร็จว่าเออคนทํางานศูนย์บาท น, นี่เป็นไปได้แม้ตัวของเองมันจําเป็นต้องรับเงินเดือนอยู่นะก็ ก็ไม่ได้เอาเข้าส่วนตัวสีกบาทเดียวเนี่ยไม่มีเงินก็แต่ครึ่งสลึงกันไปซื้อขนมท็อฟฟี่กินนึงเพราะว่าเอาเข้ากองบุหมดก็ <S <S ไม่มีตางส่วนตัวเออเขากองบุญแล้วไปทำประโยชน์ให้กับสังคมอันนี้นะไปทำเรื่องกิจกรรมสุขภา พ, าพที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทุกคนก็จะพยายามสุดซื้อสินสิต ก, กันครับทํางานที่ลองดูซิว่าชีวิตคนที่มันไม่ต้องเอาค่าตอบแทนอะไรแล้วมันอยู่ไม่ได้ยมันรู้ไปเรียนตัวเองไม่ได้มันรู้ไปก็ทํางานเสหลับกัน ทำสำเร็จอยู่อันเดียวก็คือว่าเสียสลักทํางานคูนบา่ายทามันเดียวทาเร็ยแต่ไอไม่กว่างนี่ชักไม่ค่อยรอดเลชักไม่คออ่อยรอดไม่รู้จะทำ ย, ะยังไงมันชักจะไม่ค่อยรอดนะมันเกิดอะไรก็ไม่รู้นะโดวยเฉพาะปีนี้จริงมันเริ่มเริ่มเป็นมาหลายปีละหลยยังจากที่เราชัดหลังจากที่เราชัดเรื่องของการขั้นหรือว่าแบนี้นะเอฟเอ็ม t ีวีผม ย, ยังไม่จะไม่ออก นะเขาก็ออกพยายามไปหยุดรายการช่องหนึง่งเขาก็ไปออกอีกอีกอีกอีกรายการหนึง่งเราก็หยุดรายการนึงเขาไปเอาอีกรายการหนึง่งจนเมื่อยหยุดแล้วเลยเลิกหยุดเลยนะออกก็ออกเลยหยุดหยุดเมื่อหยุดออกหยุดนันเล ย, ย, เลยแล้วก็มีเหตุการณ์ที่จะช่วยหยุดเรือช่วงนี้เครช่วยหน่อยเราบอกนะเออช่วยผ่อนๆนะเป็งั้นตายเลยนะี่นะพอพอจะบอกอ็มอ็มจีบีได้เอสจีบีก็ไปออก ไม่รู้ใครแฟนๆมีมี ม, ม, ม, มีมีคนจะเจอที่เอสโอ๋อหยุดช่องนึนก็ไปออกช่อง น, น, นึงอะเขกำลังก็รู้จะทำยงไงนะเ e e อสทีวีไปออก เอ๊ที่มีออกเสร็จช่องสเสร็ก็ไปออกอีกเว้ยจริงๆเลยช่งองเป็นเดียวพอข้ามคือตอนนั้นผมยังไม่ดงังไงผมก็อนุญาตได้มาถ่ายไงผมบอกเออเออนั่นมันพอขยายได้บ้านนิดนเออขนาดวี่งคงพอสู้ได้อะไรเงี้ยนะมันยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ตอนนั้นก็เลยให้เขามาถ่ายเขาถ่ายเป็นปีแล้วก็ยังไม่มี่งจะมาออกอนะ่ะแล้วจะมาออกกนเสวนาเราเราชักจะค่อนข้างดังนิดนิดอะไรเวยจริงๆเลยโทรไปแล้วนะไม่ออกได้ไมไม่ออกได้นี่เขาเขาก็บอกนี่เป็นรายเดียวแล้วนี่ที่มาโทรอะไร เขาบอกนะคนส่อนใหญ่เขาอยากออกดันๆไงเขาอยากดันแต่เราเนี่เมื่อยอยากงานบอกนะอยากทางานพอดีเลดท้ายเขาบอกเราไม่ได้หรอกมันดึงไม่ได้เราเพราะว่ามันตั้งหลักตั้งรําแล้วก็บอกมีหาอะไรแทนก็ไม่ได้นะนี่เรื่องการแพทย์แผนไทยเรื่องการดูแลพื้นบ้านเนี่ยไม่ออกไม่ได้เราเท่าก่อนเมื่อไหร่ทําไม่ทันแล้วตอนนี้เขาก็เลยต้ออออกไปทมฉับละทำฉับมาสามสิบนาทีคนโทรเข้ามาเต้นเลยว่รงพยาาลน้ำหน้า เออไม่รอกด้เอออีอช็อตหนึ่งวันจันหน้าก็ดู <c oughs> ช็อตนึงวันจันหน้าเาอสเอาก้ามขึม้นกับสิบมใช่ไช่ำสึกรายการตัทัเพื่อการศึกษ า, าลกเลยนี่นะมันเป็นเรื่องของการแพทย์นไทยเื่อการศึกษาเป็นเรื่องของการใช้การแพทย์แผนไทยในการบำบัดรักษาโรคต่างๆก็ก็นั่นแหละอ่พเบกไม่อยู่อีกรักมอสทมาขออีก่ะทีนี้โอ้อะไรมลึก ไอ้เราก็สิทเก่ามศทขั้นจะเป็นเสจก็ยังแล้วก็มาขอไปเราถายาสาระก็ดีอีกมาหาอะไรมาหาอะไรซูร์ไทยนี่ไอ <t ang> ้เราก็สิดเกามททคาคอคาคอยู่คาคอคาคออยู่ก็เลยยอมออกก็ออกมอมันต้ไปออกมทคงไม่กีวันมทออกแต่เรารายการตัดเดินดินก็มาขออีกองก้าว อาจจะดินกับเขาจะไม่ออกอาจจะดินกับค น, นคนๆอะไาข อ, ไ, อ, อไม่ออกไม่รู้จะทยังไงชีวิตนี้นะแต่แล้วก็ผมก็ปฏิเสธไปนะปฏิเสธไปเขาก็ไม่ยอมอะไรหลาเร่งกันเลยนะสุดท้ายยอมเขาปฏิเสธไปหลทีแต่สุดท้ายก็ยอมเขาตอนเขาก็อ้างว่า มันเป็นประโยชน์กับประชาชนเขาอยากเก็บพอเขาเลได้ข้อมูลชัดว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเขาก็บอกว่าตอนนี้คนเดือดร้อนเยอะเขาก็อ่างเผลที่ดีนะคุณกลุ่มพวกนี้ชนะฉลาดด้วยกันพูดนะเขาเข้าใจเขาเ้าใจคันเราถ้าพูดเรื่องผลประโยชน์นเลิกกันเลยนะเพราะว่าผมไม่มีผลประโยชน์อะไรผมไม่ทําเลยสมมติจะให้ผมกี่ล้านกี่ล้านงี่นะเลิกกันเลยนะผมไม่เอาเลยนะ แตให้กี่ล้านล้านผมก็ไม่เอาถ้าพูดแล้วมัประโยชน์นี่คือตัดนไปได้เลยนะแต่พวกนี้ก็ฉลาดนะรู้รู้จุก่อนเรานะือะชาชนเืรอรเยอะานเือดเยอะทาไ ง, งเขาจะได้รับรู้เรื่องวแบบมนนีบ้างเขาจะได้แก้ไขปัญหาส่วนตัวเองได้ไไดนะรย่างเง้ยาพูดมามันก็ถูกของเขานะแต่แต่แตอนอย่างผก็รู้วปรนจดร้อนเยอะแต่เราก็ไม่มีแรงจะช่วยเาทั้งหมดหรอกผมก็บกอเอราควทยังไง ผมก็เลยพูดแบบว่าต้องใช้สัญญาณกก่อนนะผมว่างนี่นะจะเอาก็ได้ผมไง <c oughs> คือผมก็สงสารประชาชนเหมือนกันแต่ผมก็สงสารผมและทีมผมเหมือนกันพร <c oughs> าถ้ามันกว้าไปผมก็ตายทีมงานของผมก็แย่เพราะต้องคนทำงานศูนย์บาทแล้วโอ้ยมันไม่ใครไม่ชอบใช่ไหมใครก็อยากใช้บริการนะศูนย์บาทแล้วทําอย่างจริงใจด้วยสุดฟีดมือด้วยนะใครไม่ชอบตรงนั้นแหละเราก็ตายพอดีสิเราคนทํำไง ผมก็แล้วเนี่ยเซ็นสัญญานะผมต้องเซ็นสัญญาก่อนว่าถ้าช่วงไหนผมพร้อมผมถึงจะให้ออกนะผวันนี้คุณมาถายทําไว้ก่อนช่วงไหนพร้อมผมก็จะให้ออกจนไหนไม่พร้อมผมไม่ให้ออกนะผมวันี้ตงเซ็นสัญญากันไว้ก่อนถ้าถ้ายอมรับข้อนี้ได้ผมก็ยอมไม่ึมาถ่ายถ้าคุณยอมรับข้อนี้ไม่ได้ผมไม่ผมไม่ต้องมาถายท้าพูดกันก็วันนี้บาเงคนก็ยอมรับได้นะว่าเออยอมรับได้ยังยังปาดปาดเดินดิบนี่ก็อาจจะออกปายปีปายปีเนี้ย ส, ส, ส่วนคนคนผมบอกอาจจะปลายปี so like. okay. หน like ้านะผมอาจจะปลายปีวันนี้ตอนไหนยังไม่รู้แค่เคยนะแต่ก็ดีนะเขาก็เขาก็เออเขาก็เข้าใจเราเข้าใจเราว่าคือจริงเขาซื่อมาก่อนแล้วว่าผมไม่อยากกบธนทัศน์เข้ผมไม่อยากกบธนทัศน์เขาซืมาก่อนเรียบร้อยแล้วให้เราก็ไม่รู้จะทำไงอยากออกก็ไม่อยากออกหรอแต่อยากช่วยคนอยากช่วยนายอยากช่วยแต่ทั้งไงมันจะไม่กว้างเกินไป เนะพราะพุดเนี่ยมันจะต้องพัฒนาพุทธเนี่ยทำงานมี่ยทำงานมันจะไม่กว้างเกินไปแต่ทำงานมันจะไม่แคบเกินเห็นแก่ตัวแคบจนไม่ขยายนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีกว้างจนเราตายและคนอื่นตายก็ไม่ใช่คำตอบมันก็เล็กนั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นเร า, า, า, ร า, า, ต, า, าต้องประมาณอย่างมากเลยลว่าจะว่าจะว่จะทำยังไงต้องประมาณอย่างมากเลยมันก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์อะไรต่างๆอย่างมากแต่พอดีว่าโชคดีว่าการทย์พิธพุทธของเราเนี่ย มันเป็นการแพทย์ที่สอนให้คนพึ้นตัวเองแอต่พวกนี้คือควาโชคดีผมเลยกล้าเปิดตัวถ้าผมรักษาคนไข้ยผมจะไม่กล้าเปิดตัวเด็ดขาดเพราะผมตายแน่ผมรูถ้าผมเปิดราษาคนไข้ผมตายแน่แน่เลยแต่ถ้าผมเปิดสอนคนให้เป็นหมอเนี่ยนะเรื่องมีสื่อที่ให้คนดูแลตัวเองได้เนี่ยผมว่ามันรอด เราคทุกคนก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองใช่ไหมจะไม่ให้เรารับผิดชอบได้ไงนกรรมของคุณก็รับผิดชอบไปไม่ให้เรารับผิดชอบไม่ได้เราแต่เราบอกวิธีในการหายได้เราก็จะบอกวิธีทําให้มันทุนเราหรือมันหายจากโรกพอเะถ้ า, าทํางานอยาน่าว่าสถานี้ผมก็เลยกล้าเปิดเพราะว่าสื่อตอนนี้มันเริ่มพร้อมแล้วนังสือผมก็เตรียมพร้อมแล้วที่จะออกไปช่วยนะครับสื่อก็เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยไฟสามเตทขึ้นเข้าเตทไม่กี่วันนี่เองโอ้แต่เก็บ แ, แ, แต่ก่อนถ้าไฟสองเตทนะ มันยายไปก็ไฟดับไ ฟ, ไฟน้ําก็เปิดไม่ได้อะไรพอเปิดน้ํำไฟก็ดับอะไรอย่างงี้ยนะโอยุ่งจริงเลยนะสุดท้ายตัดสินใจน ะ, อะเอาไฟถาฟ่านเตสเข้าอเอาไฟถาฟ่านเตะเข้าโ อ, โอ้ไฟมันกินตั ง, นงมากเลยพดตังแล้มานสี่แสนเราคนจนคนจนก็ทํา ง, งานศูนบาทที่ดูน <c> ะ <ười> คนขุ้นบาร์ตองเอาไฟสามเฟดเข้าเ น, น, น, น, นี่ยมันมันอะไรนะเนี่ยจริงๆนะเ น, นี่ยถึงวันนึงผมต้องมาเขียนสงสัยตอนก่อนตายนะเมื่อคนจนสร้างโรงพยาบาลต้องมาเขียนเรื่องนี้จริงๆเลยนะว่าน่าอะไรนะคนคือเราไม่มีทุนมีรอนอะไรเลยเพอเรามาปฏิบัติธรรมสิบกว่าปีที่มาปฏิบัติธรรมมาก็ไม่มสะสมตันแล้วก็เอาฐานไปทําประโยชน์หมดอ่ะจะทําประโยชน์กับสังคมหรือกับสิ่งที่คนรทำหมดมันไม่ได้เก็บตัน มีมาก็เอาไปทำประโยชน์มันก็ไปทําประโยชน์ี่ไม่ไเหลืออะไรหรอกใช่ไหมไม่เือเก็บตันนั่งนั่นท้องอะไรก็ไปหามาเข้าครับไม่มีอะไรเหลือนะี่เใลใจแั้วนั้นเองที่เห็นคนทุกข์ก็อยากช่วยเมื่อตัดสินใจว่าเออทางไงดีนะเราจะช่วยคนได้นี่นะตัดสินใจว่าเอออย่างน้อยเราก็ไม่ดังนะเท่าไลายอกนะเราอบรมทีละห้าคนสิบคนก็แล้วกันผมคิดอย่างนั้นนะเปิดคอร์สที่นี่ทีแรกนะนั้นเราอบรมคนทีละห้าคนสิบคนปลูกผักเหลือเท่าไหร่อบรมไปเท่านั้นเลยอะไรกันร้งั้ แต่แล้วฟ้าก็ไม่เป็นใจมาครั้งแรกร้อยกว่าคนจมลงลนะมห้าคนนะมาร้อยกว่าคนโรวมไปด้วยมันมหาชนน่าใช่พวกใการรวมไปด้วยมันเอาคนใกล้มาเ็งมาวานความกันไขมัน ร, รวมกันแล้วมาแปดสิบกว่าคนรวมกับคนของเราแล้วก็อยอดดีทำกับคนอื่น น, นั้นรวมแล้นเป็นร้อยกว่าคน ถ้าเราหว่ากันเต้นก็รบลมเมืนนะรุ่นแม่กับการเต้นรบลมโอ้ย้าทำไมไม่ลานี้เลยทำไม้าสันมาแบงนี้นะสุดท้ายรบรมร้อยคนแล้วก็คิดว่าอไอ้การเต้เนลบลมมีคำหน้าเ็ดแน่ๆล้ไม่มีใครกล้ามาเนี่เลยรหางนั้นนะเอ้ยห า, าับนะนก็ขาดอย่างเนี้นะอะไรก็ขาดขานี่รบล้มควเดียวเข็ดจ น, นหมดแล้วก็หว่างนั้นนะไม่เป็นต่างคิดอีกไม่พักงมาประจัคานอะะาเอาหมา่แล้วนะครับลมล า, น, มา น, นี่เอามาที่ละห้าคนทีละร้อยคน อาญาลุมานนันเอามาลุมานนี้เอามาลมาุาม า, ล า, นนลานี้เอามาหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี้เอามาชาวบ้านมาอีกจากอเมริกามาอีกนะคนไทยที่มีอยู่อเมริกาบินข้ามมา ไ, มได้ข่าวยังไงม้างไม่รู้เลยนะมาตกลงมาเลยกันอู้อะไรบ้างก็ไม่รู้นะตกลงไม่เป็นนังกิฟนะการจะลงทีละห้าคนสิบคนล่อทีละร้ 10, อยเดี๋ยวนี้เบรกไม่ค่อยอยู่จะจะเข้าสองรอยแล้ว <laughs> เดี๋ยวนี้เอาสองร้อยเอาลงมานไปบอกบอกแค่เอาไง ทีแรกผมจะลมผมก็ตีไว้สูงสุดว่าร้อย่ะคืออยู่ที่ร้อยเท่านั้นเอ ตระมาณก็บอกเ่ชยชาวบ้านไม่ยอมเมีให้ทำไงรอยคนนั <c oughs> ้นก็เดือดอนคนนี้ก็เดือรอนคนนี้ก็เดืร้อนเออดูจะทาไงผมก็ประมาณประมาณอา้อสองอยแล้วกันขยายไปสองร้อยส0งร้อจะไม่อยู่นะสองอยต้องจ้างจองตอนนี้สามเดือนนะจองกันนี่น3สเดือนล่วงห น, น้าที่จะทันอตอนเนีนนเน้จองปรนเมียไม่ทนสามเดือนจะต้องจอปจองไปเข้าอีกสเดือนจองไปเข้าอีกสเดือนขนาขยายไปให้สองรอ คนก่อลงงโทรมาตอนนี้ไปทำที่ค่ายเลยเคุณนําหมอเขียวมันลักเกินสอง้เนี่ยจะทาไงคุณมันทลักเกินสอง้แล้วจะทไงเออลุองุก็โทรมาแนละ้วจะทาไงดีลุงบอกเนี่ยคนศรัทธาหมอเขียวมากเลยนะจะให้ทาไงเนี่ยรู้เจอเ่าลุงบอไม่รู้โทมาชมวมาบานรู้เอเปล่าเนี่ยนะคนศรัทธาหมอามามรรมเขียวเยอะมากเลยไม่รู้ แล้เนี่ยงไปม่อยู่แล้วมึงจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะมโทรมาตอนตอนไปทำาใานในมนูดงนผมก็ว่าลุงเอาเชื้อนั่นไหนคนก็ทุกข์มึงจะทไงทีแรกก็ลุงวางแผนนะว่าจะให้เขากลับดีไหมลุงลุงกลับโอ้ผมก็คุมเขาแบบลุงเขามาแล้วเขาทุกข์อย่างเงี้ยแล้วให้เขากลับมาลุงทำใจได้อะแล้วลุงทำใจได้ก็เอาผมก็อะไรๆนะผมก็ทำใจลำบากงั้ลุงนะผมก็ทำใจลำบากลุงใช่ผมลุงก็บอกว่าใช่ผมก็ทำใจลำบากอะไรงนี้นะ ใช่ครับลุงก็เพูดกันอย่างเงี้ยนะถั้งนั้นก็ทาบุญกรรมเหมือนกันนะลุงกบุญทำกรรก็ต้องารเต้นนอนกับการอะไรเงี้ยก็ไยอมอย่างเงี้ย น, นะทั้งการเล่าที่ไปที่มาตกลงฟ้าก็าไม่ยอมฟ้าไม่ยอมเลยอบรมเปนไปทีละร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยการนี้ก็มีสื่อสารว่์สื่ออะไรมาเนี่ยแหละนะครับหลายเรื่องก็เลยเข้าใจแล้วเราก็มันถึงการล่าเวลามันคงถึงรอบที่บุญของเรา ที่เราสะสมมาบุญบารมีความตั้งใจของเรากับบุญบารมีของคนที่อยู่ในสังคมน่ะที่เคยเกื้อกูลกันมาที่เคยบำเพ็ญกันมาเแล้วมันรวมกันมันคงถึงรอบแล้วไม่งั้นมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกขณะผมพยายามปิดนะปมันปิดไม่อยู่มันทําไมมันปิดไม่อยู่นะพยายามที่จะหยุดหยุดยุดตรงนัตรงนี้มันทำไมหยุดไม่อยู่อะไรเงี้ยนะเราเลยรู้ว่ามันมันถึงรอบที่ครูบาอาจารย์บอกอยู่ว่าปีนี้มันปีเจ็ดเจ็ดเนี่ย ปีนิวปีเจ็ดเจ็ดจะใด้ปีเจ็ดเจ็ดสองห้านะสองบวกห้าก็เป็นเจ็ดห้าสองนะห้าบกสองก็เป็นเจ็ดปีนี้เันปีเจ็ดเจ็ดครูบาอาจารย์บอกจะปีมหามงคลปีนี้่ร้อมดีมันจะรวมกันท่านบอกว่าเหมือนเหมือนดาวหางร้อยดวงซึ่งปกติดาวหางร้อยดวงอีเจ็ดสิบปีมันมาทีหนึ่งร้อยปีมันมาทีหนึ่งอ่ะแต่ปรากฏว่าปีเดียวเนี่ยมันมารวมร้อยดวงกันทีเดียว ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่จะไม่ได้เป็นได้ง่ายๆครูอาจารย์บอกอย่างเงีนมันเพื่ในี่ช่จะเกิดได้ง่ายแต่มันจะเกิดปีนี้แหละแต่ไม่ใช่ดวงดาวจริงๆนะแต่นั่นหมายก็ว่าเหมือนเกิดเทียบว่ามันเป็นไปได้ยังไงอ่ะที่ดาวหางร้อยดวงมันมารวมกันได้ภายในปีเดียว่เพราะปกติร้อยปีมาทีนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นปรากฏการณ์ันนั้นแหละครูอาจารย์บอกปีนี้มันเป็นนั้นอ่ะเป็นปีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดในตัวเลขมงคลของศาสนาพุทธพราะชงเจ็ดนี่ได้เจ็ดเจ็ดมันจะเป็นปีมงคลปีนี้ มันจะเกิดการรวมพลกันของความดีสารพัดรูปแบบปีนี้สารพัารูปแบบมันจะกาะกอนรวมกันท่านคอยดูก็นแล้กันท่านจะเห็นความดีแต่ละจุดแต่ละจุดจะเกิดกันร้อยการรวมกันเกิดเป็นเปล่งประกายขึ้นมาความจริงมันเป็นความดีของแต่ละชนแต่ละชนที่มันถึงเวลาที่จะต้องรวมกันเหมือนที่พระเจ้าท่านตรัสได้ว่าน้ําจะไหลไปหาน้ําน้ํามันจะไหลไปหาน้ํามันอันนั้นแหละ ปรากฏการณ์นี้แหละจะเกิดเด่นชัดในปีนี้ดูกันไปนะครับดูกันไปมันจะเด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นเป็นจุดตั้งต้นของน้ําที่ไหลไปห า, าน้ำน้ำมันที่ไหลไปห า, าน้ามันที่เด่นมันจะเริ่มเด็นนั่นแต่ปีนี้ไปนะครับพอดนะูจริงจมันครึ่งปีวันนี้ผมก็เห็นภาพไปหลายเรื่องนี่มีทุ น, นาและครึ่งปีหมดนะครับมันก็จะเป็นยังไงเพราะาก็เลยเป็นอะไรที่ทรงมพาไม่ยอมให้เล็ก ก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก่อนรู้รู้ใหม่ๆุณดก็พูดนั้นเผยอะไรให้ฟังไหมรู้ใหม่ๆอยากขยายผ้าไม่ยอมไม่ขยาย โาที่าเด็เช่นกันอย่างนึงใช่พอเราทำใจได้ไม่ขยายก็ได้ลึกๆก็ได้จิงสบายพอเราหัวคับล็กๆก็ได้จิงมสบายนะฟ้าเปิดนะฟ้าแกล้รู้ฟ้าแกล้งฟ้าเลแกล้งก็อนี้เราไม่มีพบขยายก็ได้เล็กก็ได้ขยายไปขยายไปยังานาเยซขอให้สะดุดทมสักเียงสนึงแล้วก็ลมมลลายไปเหลือเล็กๆทำเล็กๆอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราไม่ตั้ง นะใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้อยู่กับความจริงแล้วนะตอนนี้เลยไม่ตั้งพบเลยตั้งสิ่งเราอยู่กับความจริงก็แล้วกนะันความจริงถ้าฟ้าจะให้กว้างก็กว่างฟ้าจะให้แคบก็แคบฟ้านี่คือกุศลของเรากับกุศลของโลกนะพันไปดีกุศนของเรากับกุศลของโล ก, นะ ก, โล ก, ก ท, ที่ที่บังเพลินกันมาเขาจะําหนดยังไงก็อย่างนั้นตอนนี้ผมเลยเลิกเลยไม่สนลนะไม่สนว่าจะกวก้นจะแคบและมีแรงเท่าไหร่ก็ทำไปเทั้นัน้นวันต่อวัน วันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันทํางานเรไม่มีไม่มีวันแผนแล้วตอนเนี้ยมีแต่วันต่อวันวันต่อวันวันอวันเป็นยังไงก็ทําไปอย่างนั้นนี่ก็เป็นที่ไปที่มาของแพทย์วิถีพุทธนะครับที่เกิดอะไรต่างขึ้นมาอย่างเงี้ยแพทย์วิถีพุทธนี่ก็ทั้งทั้งมันเป็นงานของโรงพยาบาลนมระเราะแล้วก็ของสถาบันบุญนิยมผมเป็นแพทย์ทางเลือกของสถาบันบุญนิยมนะครับ อันนี้เนี่ยแพทย์นเลือกเนี่ยเขาจะสถาบันบริยมนี้จะมีแพทย์ทั้นเลือดที่ทำอยู่หลากหลายอันในส่วนของผมกับทีมงานนะครับ <S <S คุณมนากับทีมงานต่งางๆเนี้ยทําเรื่องกันแพทยิธิพุทธก็คือทําเรื่องเน้นเรื่องกันขึ้นตนนะครับ <S <S เน้นเรื่องกันขึ้นตนสอนคนให้เป็นหมอดูแลตัวเองครับอันนี้ก็จะเป็นของของสถาบันบริยมที่เราเราทำเรื่องเนี้ยนะครับแต่ละคนใครถนัดอะไรก็จะทําเรื่องนั้นเองเราก็ชอบเรองนี้เรก็ทำเรื่องนี้นะครับ <S <S ก, รก็เลยจะสิ่งนี้ขึ้นความจริงกันแพ่ย์ผิพุทธเนี่ย จะว่าเป็นการแทย์แนวใหม่ของโลกกนะ็ไดเป็นการแทย์แนวใหม่ของโลกที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกนะครับยังไม่เคยมีมาก่อนในโลกหมยายความว่าในยุคนี้ยนยุคสักพันปีมันเนี้ยยัยไม่มีนะครตัวสอบตายพันสองพันปีนี้ไม่มีมันมีจริงตอนสองพันหร้อยปีตอนที่พระเจ้าท่านท่านตรัสรู้นะท่านก็ตัดเรื่องราวเหล่านี้ไว้แต่ว่าไม่มีคนเราไปสามต่อ ท่านตัดไว้ช่วยคนไปอะไรไปเป็พุทธเจ้าเป็นแหละคือต้นกำเนิดแท้ๆเลยแต่แล้วก็พอไม่มีใครสารต่อก็เลยหายไปเฉยๆเลยหายไปเฉยๆแล้วไม่มีใครทำเรื่องนี้แม้แต่หมอชีวกเ่งท่านก็ท่าน ใ, นในยุคนั้นหมอชีวกท่านก็ทำเรื่องการรักษาคนสักหนึ่งส่วนให ญ, ญ่แต่ท่านไม่ได้ทาเรื่องการสอนคนให้รักษาตัวเองแต่ท่านเก่งนะหมอชีวกย่อ้าห้นะท่านสุดยอดนะท่านรักษาคนเก่งมาก ว้าท่านก็ทำเรื่องรักษาคนก็เป็นส่วนใหญ่แต่ในยุคนั้นท่านยังไม่ได้ทำเรื่องของเรื่องของการสร้างคนให้รักษาตัวเองนะครับแต่พระเจ้าที่ท่านสอนแต่ยังไม่มีใครเอามาใค้เอาคำตัดที่เกี่ยวกับสุขภาพนำมาใช้พอล่วมเลยมา 2,500 ปีเข้าปีพุทธกาลปุ๊บเนี่ยนะมันโรคภไยให้เจ็บเดือร้อนมากพอเดียดร้อนกันมากที่พระเจ้าบอกมันเข้าปียุคล ตอนนี้ 2,500 เป็นข้าวปียุคเลนะครับพอข้าวปียุคมันจะเกิดภัยพิบัติเนี่ยาี่อย่างหลักๆครับแต่สอย่างหลักที่จะเปจบไร้ายมากๆที่ปียุคเนี่ยโคภัยเจ็บจะรบาดี่คือคัดสินเจ้านะครับ1งโภัยเจ็บบาด2ความอดอยากยากแค้นเข้ายากหมากแพมจะมาสการทําะเบาะแวงและสงครามความจริงยังมีในตาราของพระเจ้าว่าภัยพิบัติธรรมชาติจะมากันนะครับซึ่งในหลวงท่านก็ตัดระอยู่ในหลงท่านตัดด้ย ก็จะมีภัยสามสี่อย่างนี้เด่นๆนะจะเด่นมากเลยเวลาเข้าคกลียวพอมาถึงยุคนี้เนี่ยผมเองก็พยายามที่จะใช้องค์ความรู้ที่เราเรียนมาด้านสุขภาพผมจบวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่ปัจจุบันสองปริญญานะหนึ่งวิทยาศาสตร์สุขภาพสาสุขศาสตร์บัณฑิตสองวิทยาศาสตร์สุขภาพบริหารสาธารณสุขเร า, ส า, ส า, สาสนะก็จบปริญญาตรีทั้งสองปริญญาเราก็นม่ว่าเราเก่งนึกว่าตัวเองเก่งจะป้องโรคภัยไข้เจ็บได้นะ ก็ทุ่มเต็มที่เราได้ไปช่วยชาวบ้า น, นเนวัดราชการครั้งแรกที่โรงพยาบาลบ้นานใหญ่จังหวัดนุ่งดาหานณวันนี้ยังมีผู้ป่วยมาด้ว ย, เ, ยนะเพราะว่าเคยไปกินข้าวกินน้ำแถวบ้านนั้นบ้านตอนโม่งกันได้เออเคยไปกินข้าวกินน้ำตอนออกหน่วยแค่เคลื่อนที่ออกหน่วยอะไรต่างๆนะหน่วยดูแลเด็กดูแลผู้ใหญ่ดูแลคนผู้สูองอายุอะไรต่างๆผมออกหน่วยบ่อยนะแต่ฐานนั้นก็ วันดีคืนดีก็มีผู้ป่วยมามามาเข้าไข่มไม่ใช่มามาหาเพราะเดือดตอนด้วยเดินไม่ได้ไม่พาขึ้นสบมันขยับก ร, ร ม, มันขยับอะไรไม่ได้เลยแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นเนื้องอกที่สมองะเป็นเนื้องอกที่สมองเสร็จแล้วหมอก็จะผ่าตัดผู้ป่วยยังไม่พร้อมที่จะผ่าก็เลยมาขอใช้วิธีการเนี้ย เาใช้วิธีการนี้ซึ่งผมก็มีประสบการณ์ในการช่วยผู้ป่วยที่ลักษณะอย่างนี้นะครับให้เขาสามารถกลับมาเดินได้ที่เนื้อ ง, งอกรสอนไปเนี่ยหลายๆหลายหา ย, หายเขาก็เขาก็มาใช้ปรากฏว่าเขาก็มาก่อนงานมามาก่อนนะครับเป็น10บกว่าวันก็เลยให้ทําแนะนําแล้วก็ให้เปปฏิบัติตัวที่บ้านรอรอไข่ปฏิบัติตัวได้10กว่าวันนะ มาแขบแล้วมีกําลังเริ่มยกได้ขาเริ่มเดินได้แล้วก็เริ่มกำมือได้เริ่มกำมือได้เริ่มได้ตรงกับเป็นอะไกับป้าที่มาซึ่กันเมื่อวานก่อนนะป้าที่มาก็เอกแขนขาอ่อนแรงนะ ม, มามาก่อนงานหนึ่งวันเลยมากินอาหารสริมว่าก่อนเนวันวันลุกขึ้นวอนลุกขึ้นลุกเป็นเอาา้าทัางนั้นมันมีกําลังขึ้นๆๆๆๆยกขาได้ยกมือได้อะอย่างเงี้ยมันก็แปลดีนะมันก็การใช้ปี่พุดมันก็เร็วนี้ อาลคับง็เล่าเอาานพอดีมาเจอกันก็เลยเออเราได้รับใช้กันนะเคยเกื้อกูลกันมาตั้งแต่นู้ต้งรับราชการใหม่ๆนะก็เมาเจอมาได้มาเจอญาที่เคยเกื้อกูลกันไดรับใช้กันก็รู้สึดีใจอนกันนะครับมพี่น้องกับกวนใหญ่างวนั่นแหละพอา็นทั้งเราเก่งนะตอนนั้นยังไม่รู้เ่องแ่้นดินคนไรหรอกก็คิดว่าแผ่นพืจนบอลเป็นตอบทั้งหมดทุ่มทุกอย่างในการช่วยประชาชน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ปวาประชาชนป่วยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่คือภาพแรกที่เราเห็นแล้วไม่ว่าใครก็อเอาไม่อยู่นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะประชาชนป่วยมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าเป็นมะเร็งมาหวานความดันไขมันภูมิแพ้เกาดูมาตอยโรคกระเพาะอาหารโรคพวกโรคปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไสาระะพัดโรคนนะเอ๊ะทําไมมันขยายมากขึ้นมากขึ้นแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครเอามันอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมอระดับไหนระดับไหนนะ หมอตั้งแต่ระดับหมออนามัยไปยถึงหมอในกระทรวงไม่มีใครเอาโรคนี้อยู่เลยเพิ่งเกิดอะไรขึ้นะ น, นะพวกเอ็งนะเราก็นึกว่าเราจะเก่งนะเราก็ไม่ได้เพนาั้นอมมือหรือเปล่านะไ อ, อ้องมือหรือเปล่าว่าเฮ้ยจะมีคนเราคนเดียวแบบ ท, ที่ตั้งใจนะเราก็ทุ่มสุดที่มือเอาไม่อยู่เหมือนเขาเลยเอาเป้เลยเฮ้ยเราเอาไ่อยู่เหมือนกันเพิ <c> ่ <oughs> นี่คือภาพแรกที่เราเห็นว่าเราสะดุดผมสะดุดตั้งแต่สามปีแรกภาพที่สองที่สะดุดครับที่นี่นะเจ้าหน้าที่เริ่มป่วย เจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้เอทําไมป่วยเอาป่วยเอาันป่วยมากขึ้นมากขึ้นแล้วช่วงหลังมานอีชัดเลยตอนนี้พบว่าเจ้าหน้าที่นี่นะครับเจ้าหน้าที่สุขภาพนะครับป่วยมากกว่าชาวบ้านสามเท่าตอนนี้ผมไปทำค่ายคือเพื่ให้หลายหลายโร ง, งพยาบาลนะครับมือนกันเลยป่วยหักกับชาวบ้านสาเท่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ความรู้ทีมาความจริงพูดสั้นๆไปเลยนะที่ป่วยก็มากกว่าชาวบ้านสามเท่ า, าก็คือหนึ่งกินอยู่เหมันชาวบ้านอันที่สองครับ อันที่สองนี่ก็คือว่าเครียดกว่าชาวบ้านเพราะอะไรครับเพ อ, อยู่แต่กับโลกมัน ว, วันในสวัสดิ์เสมอเลยจะบอกสวัดสดิ์เสมออยู่กับคนไข้มันมันมันมันมันไม่สุนทริยะเท่าไหร <c oughs> ่นะเราจะไม่มีสุขภาพหรืออยู่นะครับกบทุกคนต้องระมาณทุกคนนะนเครียดเครียดมากกว่าชาวา <c oughs> บ้านนี่คือข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สามครับ คนไข่ล่ะมีพิษอยู่ในตัวทั้งพิษที่เป็นเชื้อโรคและพิษที่เป็นพลังงานที่เป็นพิษแล้วพิษอันนี้ถ้าใครเป็นหมอแผนไทยหมอทางเลือกแต่แค่แม้ผู้ป่วยแค่กดจุดผู้ป่วยนิดหน่อยเท่านั้นแหละเวลาไปเจอผู้ป่วยที่มีพิษมากๆนะกดเบาๆเท่านั้นแหละหมอจะตายไปพักฟื้นมต้งหลายวันกว่าจะฟื้นพักฟื้นหมอที่ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่าสาวันกว่าจะฟื้น หมอในท่าตายเลนะมันจะคิดมันจะเข้าตัวกดเบาๆกดไม่มากแรงนิดน่อยแค่นั้นแหละเอาตายไม่ใช่เรื่องเล่น น, นะครับถ้าหมอในปัจจุบันสังเกตจะรู้ว่านี<อ>่แค่ตัวคนไข้เฉยๆ ใ, ใ, ใช้สมองใช้ปอดกายเฉยทำไมมันหมดแรงหมดแรงเพราะว่าต่อให้นั่งคุยเฉยๆพีทจะเข้าตัว ผมเคยผมเคยนั่งคุยกับคนไข้มะเร็งอาการหนักๆมากๆในระยะสุดท้ายรรยะแรงๆนะนั่งคุยไปเอ๊ะพึ่งไม่ถึงสองสามนาทีทําไมเรามาแกล้งเราเฮ้ยพีทเยอะขนาดนี้พีทเยอจริงๆใครใครเรียนรู้เดี๋ยวพีทจะเข้าใจเองว่าการพูดคุยกับผู้ป่วยเนี่ยพีทก็เข้าตัวถ้าคุณไม่แข็งแรงนะมันจะขับพีทมันไม่ออกแถ้าคุณแข็งแรงคุณจะขับพีทได้ในปริมาณถ้าคุณทําอย่างความบอกพอดีคุณจะได้ความแข็งแรงก็คือคุณจะขับพีทออกมาได้ แล้วคุณจะได้ความแข็งแรงแต่ถ้าทำคุณเกินคุณทําเกินพอดีพุกมพิษตัว น, นั้นจะเข้าตัวก็วจะฝังไว้ในตัวคุณแล้วคุณจะไม่สบายนะครับมันมีมันมีลิมิตมีอะไรของมันอยู่นะครับตรงนั้นนะครับ ทดลองคนไข้ก็มีพิดแต่แล้วไม่ไม่ว่าหมอแผนไหนก็ไปรับผิดคนไข้เั้านั้นแหละเสร็จแล้วไม่เรียนวิชาถอนพิษนี่คือความซวยของกระทรวงสาสุขของหมอทั้งหลายคุณสัมปัสพิษแต่คุณไม่เรียนวิชาถอนพิษไตายแต่คุณจะเป็นหมอใหญ่ขนาดไหนคุณก็มักระจบด้วมาเร็งทั้งนั้นแหละมาเร็งเดี๋ยวจะถามหาคุณในอีกไม่นานทดลองหมอส่วนใหญ่ก็จบท้ายด้วยมะเร็งทั้งนั้นพขารับแต่ผิษดังเท่าไหร่พิเดเยอะเท่านั้น ก็คนไข้คุณดังเท่าไหร่นะคนไข้ที่มาหาคุณเนี่ยคุณว่าจะเป็นคนไข้หนักหรือคนไข้เบาห น, นักที่หมอคนอื่นเขาเอาไม่อยู่เท่านั้นแหละแต่ล้วคุณก็มาแบ่ไว้คนเดียวแ่อา เ, เ, เ, เตรียมตัวเป็นมะเร็งได<า>้<ม>ดังเท่าไหร่เตรียมตัวเป็นมะเร็งได้แม้มันเป็นมะเร็งก็เบาหวานก็การไขมันถามหาโรไปโรคไต า, ามหาคุณเท่านั้นแหละโรคไตร้ายที่กินยาไม่หายจะถามหาคุณจริงๆมันเรื่สัจจ์เรื่องสัจจ์ผิดเยอะอจริงๆนั้น ผมเข้าใจมากเลนแม้คนข้าราชการก็เข้าตัวแล้วนั่งคุยเมื่อเข้าตัวแต่ถ้าเรามีกําลังดีๆนะนั่งคุยได้แม้ได้กดจุดได้อะไรได้นั่นไงรเราจะขับออกว่าคุณจะแก่ด้วยกันเลด้นมันอยู่ที่พลังชีวิตคุณนะครับแ ต, แต่คุณต้องทําในปริมาณที่พอดีแต่คนส่วนใหญ่ะถอนทิษไม่เป็นเนี่ยทุกวันนี้น่าสงสารกระซงสารสุขคือผมไปทํางานผมไปทําค่ายสุขภาพให้กับหลายโรงพยาบาลยนไปโรงพยาบาลอห่งหนึ่งทางราชการนะป่วยนั่นแต่พนัการโรงพยาบาล ที่มาเข้าค่ายนะป่วยแนตะ่พนักานโรงพยาบาลหัวหน้าพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะเป็นคนงานที่ดูสิเกือบร้อยอร์เซ็นต์ของโงพยาบาลเป็นอะไรที่ผมไปพูดอย่างนี้ในกระทรวงสาธารณสุขนนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเจิญผมไปพูดเรื่องความสาเร็จมันแค่ทางเลือกนะพอผมไปพ่วยปุ๊บคนตรงนี้จะมีใครเฉียงผมไหมผมนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีผู้ใดเฉียงผมบ้า ง, างว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหนี่ยงนะป่วยมากกว่าชาวบ้านสามเท่า ลองเียผมมาสิใครจะเทียบผมเล่าข้อมูลไปใส่กันได้เลยผมผมผมก็เล่าเอกผลไปที่มีใคเทียบฟุตบอลเพิ่มเป็นความจริงเพราะอะไรครับเพราะเรียนแต่วิชารักษาคนอื่นแต่ไม่เรียนวิชาของที่ตัวเองนี่คือสิ่งที่น่ากลัวผมก like ็โดนประจุเหมือนนักรบนะที่ให้ออกลบแต่ให้ให้ไม้จิ้มฟันเป็นรถกระตุนใหญ่ตอนเนี้ย ให้ไม้จิ้มฟันไปลบ ก, กับปืนใหญ่ตายตายตายนะพอได้จิ้มชาสึกนิดหน่อย <c oughs> ตอนเรี้กพอได้จิ้มชาสึกเรือคุณก็โดนปืนใหญ่ยิงอย่างเรือเท่านั้นเองนะแล้วอยู่ในท่ามกลางพิดมันจ ะ, ไ ม, ะ, ไ, ะไม่เหลืออะไรมะนไปเหลืออะไรทั่วโลกมันคือเป็นเหมือนกันหมดเลยทั่วโลกทั่วโลกเหมือนกันช่วงหลังมาเนี่ผมก็เจอแพทย์หลายท่านที่มาที่มาค้นฟ้ามาปรึกษาเรื่องความเจ็บปวดนะผมเจอเยอะนแพทย์ในปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยหลายท่านจะเริ่มมาปรึกษาว่าทาําไงดีตัวเองนี่แหละปวย แพทย์ก็ป่วยนะครับแล้วก็จะมาปรึกษาว่าจะทำยังไงจะแก้อย่งไรช่วงหลังนี้ผมเจอแพทย์หลายท่านที่มาปรึกษาว่าเอ๊ะทำไมถึงเจ็บป่วยนี้นี้แล้วก็เลา่าให้ฟังเล่าให้ฟังแลจะบอกวิธีแก้หลายท่านนำไปปฏิบัติดีขึ้นแพทย์หลายท่านร่างกายดีขึ้นบางจะที่เอาไปเอาวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติเพื่อถอนพิดตัวเองถอนิษจากคนไข้ต้องถอนพิษจากพฤติกรรม เกาะี่ของตัวเองบ้าง น, นะครับช่วงหลัน้นมีแพทย์หลายท่านมาวันก่อนก็รุ่นก่อนนั้นก็มีสัญญแพทย์มาที่สัญญแพทย์ก็มีแพททั่วไปมามาเข้าทายมาเรียนเงนี้ยก็จะมีครัช่วงหลังมันนี้หลายท่านก็โทรมาหาเรือกันช่วยแล้วก็กุมกันไปนะครับ เ, เราเป็นใหจะช่วยอยู่แล้วนะจะช่วยทุกคนในแหละที่เดอร้อนเ่องสุโอเคนะฮะนี่ก็เราเคนก็เราจะลาที่มาที่นะๆๆมานะอ๋อกี้พูดถึงว่า ก็หลงว่าตัวเองเก่ <c oughs> นี่ผมหลงตัวลงตัวนะความจริงไม่ใช่ในเรื่องรู้เรื่องอะไรมากมายนักหนา เ, าเราก็นึกว่าเราเรียนสองปริญญาเนี่ยมันจะปราบโรคทางเพศเจ็บได้แล้วพอมาจนมุมบ่อนหนักๆนะเมื่อกี้เจอภาพสองภาพใช่ไหมที่ผมล่าให้ฟังหนึ่งคนป่วยมากขึ้นชาวบ้านป่วยมากขึ้นมีน้อยโรคที่รักษาหายแต่ว่าจํานวนมากโรคเนี่ยที่เริ่มรักษาไม่หายนั่นคือภาพแรกที่ผมเจอภาพที่สองเจ้าหน้าที่เริ่มป่วยมากขึ้น ที่ภาพที่สองไม่เจออันที่สามตัวเราเองป่วยเงานี่จังเบอร์ลเลยทีเดียนะ อ่พุดเบสไม่ออกแลตอนนี้ถ้าเป็นนักมวยนะจุกแล้วจุกแล้วโรคอะไรตะก่อ น, นเห็นแตเพื่อนเป็นอะไรเงี้ยเห็นคนไข้เป็นจะเพื่อนเป็นเฮ้ยเราเป็นนักกีฬาผมเป็นนันกกีฬานะแล้วอาหารหลักห้าหมื่นห้าโมนั้นนั้นลงไขเลยชัดแหลกกินข้อมดนะออกกําลังกายด้วยเป็นนักกีฬาของจะหวัดด้วยนะอไปแข็งเคสนท่านเนี่ยอะไรแปลกแต่ปากก็ตีลากราอะไรดิไฮห่วงนะักวิ่งมาราธอนด้วยอะไรด้วยไล่เรื่อง น, นะเล่นกีฬาทุกประเภทแหละนะ เรื ar, right ่อกีฬาก็ใช้ได้ก no, I mean, no. ีฬาก็ใช no. ้ไ <laughs> ด้นะออกกาลังกายประจำนะเนื no. so ้อลมไคก็ไม่เคยขาดนะฮิโดรซีมก็ไม่แข็งแรงไงใช่ก็บอกเอยคนอิ่นไม่ดูแลสุขภาพออกกำลังกายพวเราสิกินน้ำมไขมเราจะได้แข็งแรงแต่ล้วเป็นไงนะเป็นโรคกระเพาะจุกเสียแน่นท้องแสบท้องปวดท้องทำไงก็ไม่หายนะเจ็บหัวใจนะนี่ชิวิตฮาดิซยิงหัวใจแปบๆปวด้อ่นี่ไอยาปวด้อปวดเข่าทรมาน ทั้งไงก็ไม่หายแล้วเริ่มกำลังตกเขาเมันเกิดอะไรขึ้นกินยาที่ดีที่สุดของโรบีบันไม่หายอา้าวแล้วสิจบมา2ปริญญารักษาตัวเองไม่อดทำหมดเลยนะที่หมอที่แผนปฏิบันเเขาว่ามาไงทำหมดอะไรที่แข็งแรงทั้ ง, งหมดเลยจะป่วยอะ่ะจะให้จะให้ผมทำไง สุด้ายผมก็เอ๊ถ้ามันภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าผมจะไปเรียนแผนปัจจุบันต่อให้สูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ดูท่าจะเป็นเหมือนกับก็ได้เท่าที่คนอื่นเขาทําซึ่งก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรได้มากมายนะักได้ประมาณนึงก็แก้ได้เหมือนกันได้แก้ได้มากขึ้นเหมือนกันแต่ก็ประมาณนึงแล้วเปอร์เซ็นต์นะถ้าท่านสังเกตนะครับตอนเนี้ยถ้าใครเก็บข้อมูลนะจะรู้สึกอกใจหรือจะรู้สึกมันน่าพิจกกังวลมากเลยนะ ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ทุกระดับนะครับทุ่มสุดฝีมือเนี่ยแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้ประมาณยี่สถึงสาสิเปเซ็นเท่านั้นนี่คือข้อมูลจริงท่านเก็บไดเ้เก็บเมื่อไหร่มันก็จริงเมื่อนั้นณนะตอนเนี้แก้ไขปัญหาสุขภาพได้แค่ยี่สิถึงสาสิบเเเท่านั้นอีกเจ็ดสิบแดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยไปไม่ออกแล้วเอาไม่อยู่แล้วแล้วไอเจ็ดสิบเปอร์เซตที่เนะรารจะทับคอในหน้าที่ตายนะครับก็เราจะทับคอในหน้าที่ตายในตอนเนี้นะครับ เพราั้นมันน่ากลัวมากภาพนี้เอ๊ผมว่าถ้าถ้าผมไปเรียนแผนปัจจุบันต่อไปมากเข้ามาเข้ากันคงได้ประมาณนั้นประมาณนั้นแหละผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเผื่ฟุกตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องแพทย์แผนไทยแพทย์เลือกกันนะเฮ้ยลองไปแพทย์แผนไทยแพทย์แผนเลือกดีกว่าเพราะแผนปัจจุบันก็ได้ประมาณนั้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้อยู่ดีได้เลยไม่มากอยู่ดีให้ยลอไปแพทย์แผนไทยแพทย์แผนเลือดไสิเผ่อจะมาเติมเต็มกันได้ก็เลยไปเรียนแพทย์แผนไทยเรียนแพทย์นเลือก เรียนในต่างประเทศไปจีนไต้หวันไปมาเลเซียเปเรียนแทพทย์ทานเลือกนะครับที่ต่างประเทศทั้งในประเทศเราก็ศึกษานะล้วก็แพทย์แผนไทยเราก็ศึกษาทั้งในระบบแล้ก็นอกระบบนอกระบบนะครับในมหลาลัยเขาเรียนวิชาแพทย์แผนไทยวิชาอะไรที่เาเรียนเรียนกันเรียนกัเขาจบมาท่านบรรกี่ใบใตง ต, งตงกี่วิชาโอ้ ไล่ไล่วิชาที่ตึงจบจะไม่ถูกกันนะก็อะไรวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยแนวคิดละทฤษดีการแพทย์แผนไทย อ, อะไรนะเัรดิตวิทยศา ส, ต ร, ส, าสาตร์อะไรเงี้ยธรรมานามายัยสังคมวิทยาการแทยเก่เ อ, อะไรก็รู้อะไรเกี่ยวกับที่และการแพทย์บันไทยเรียน ม, มาต้องลดกี่วิชาไล่จะมึนหัวปัน ม, น ม, นมนแล้ว ก็อยากจะรู้ว่าเขาสอนอะไรกันนะครับทั้งในระบบเอานอกระบบก็ไปเรียนนะตามกันนตัวนี้ไม่เรียนปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องประหลาดนะมันประหลาดตรงที่ว่าเออพอเราองค์ความรู้ทั้งสามอย่างมารวมกันเนี่ยเออมันมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหามากขึ้นนะมันได้อ่าได้ประมาณสี่สิเปอร์เซ็นได้เรา็นละเอร์เซ็นต์เพิไปประมาณสีิเอร์เซ็นจะแก้อีกหกสิบเปอร์ซ็นเอาไม่อยู่ เอออะไรยังมาไข้ปัญหา 60% นะในเมื่อเราเรียนทุกแขนเราได้ประมาณ 40% จาก20เพิ่มขึ้นไปเป็น 40% ใช้ได้ใช้ได้มันก็ยังดีมันยังช่วยปะโรคอะไรได้มากขึ้นแต่ปรากฏว่า 60% มันเหลืออีกประมาณ 60% เอาไม่อยู่แล้ว 60% ที่เอาไม่อยู่เนี่ยปรากฏว่าถ้าเราไม่แก้มันก็จะโผงครับเราจนเราแย่เหมือนกันจนเราไอ40้ 40% ที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสุดท้ายเราปฏ มาทำไปด้วยทั้งนี้พวกผมก็ได้มาทาไปด้วยก็เลยเจอธรรมะของพระเจ้าศึกษาพระไตรปิฎกศึกษานั่นศึกษานี่เข้าไปนี่แหละจุดเริ่มต้นของแท้พิธีพุทธิที่เริ่มเริ่มมาเอ้ผมเริ่มสะดุดบางอย่างคือผมปฏิบัติธรรมนะมันเครียดอะมันเครียดนทุกข์กับการรับราชการกับารแย่งแต่ไข้ปัญหาไม่ได้มันก็เลยเริ่มมาปฏิบัติธรรมพอกมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาพระไตรปิฎกแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยปฏิบัติไปด้วยศึกษาไปศึกษามาอ้ยล่ะสุขภาพดีตัวนี้นี่วะ รหัสสุขภาพมันอยู่ตรงนี้นี่ว่าพอรหะสสุขภาพมันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะไปเจอคําตัดของพระเจ้าหลายคําที่ท่านตัดไว้หลายประโยคในพระธรรมยศหลายเล่อ น, นะครับที่ท่านตัดไว้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ศึกษานาะพระเจ้าเนี่ยกว่าจะได้เป็นพระเจ้าครับกว่าจะได้เป็นพระเจ้าเนี่ยต้องมางเป็นสองแสนถึงแปดแสนอสงไขยสองแสนถึงแปดแสอสงไขย เอ๊มันนานขนาดไหนพวกเราศึกษาโบราณวิดก์นะพระเจ้าท่าตัดไว้นะไอ้สองแสนตั้งไกลแสนอางไข่เนี่ยนับจากนักจากที่บรรลุธรรมแล้วนะก็คืออาศงไข่หนึ่งเนี่ยนะเท่ากับมหากัะอาศงไข่หนึ่งเท่ากับมหากัะมหานี่คือมันเยอะมากอะเยอะจนนับไม่ทั่วเรียกว่ามหาเสร็จแล้วมีเกัะหนึ่งอะเท่ากับเท่าไหร่กัะหนึ่งเนี่ยพระเจ้าท่านตัดไว้ว่ามีภูเขากว้างยาวสูงหนาสิบหกกิโลเมตรกว้างยาวสูงหนาสิบหกกิโลเมตร น่ยอดทัานตัดไปอย่างนั้นหนึ่งยอดคือสิบกิโลเมตรนะครับเสร็จแล้วอีก1 0ร้อยปีให้นามฟ้าให้เทวดาเนี่เอาผ้าใยบัวนี่นิ่มนำมาปัดทีนึงร้อยปีเนี่ยผ้าใยบัวนี่นิ่มนำมาปัดทีนึงร้อยปีมาปัดทีนึงจนภูเขานั้นรากเป็นหน้ากรงนั่นแหละหนึ่งกับกิ่ปี ท่านทั้งหลายจย่ี่นักขันธศาสตร์วาันเดชิดีคำนวณิ่ก็นักิสิกนักขันธศาสตร์ช่วยกันหน่อยอย่พี่ต้องไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านกี่ล้านปีนกับเดียวนะกับเดียวที่ก็ไม่รู้กี่ล้านปีแล้วนะมีกับเดียวกับนี้นี่เรียกว่าทัตกับกับนี้นี่นะกับนี้มีพระเจ้าห้าพระองค์เคยไยนไหมองคุกุสันโธองค์แรกองค์โกนาชามนะองค์กาสปาองค์อะไรต่ ผมจะตะาองคตตะมคตะ ม, ม, มีองนี้องที่เรานักผิ น, นผี้องคตตะมีองต่อลปองอะไรอคตตมะละองต่อไปองอะไ ร, ร, รองศรีอริยะองต่อไปศรีอริยะมใส่ในะก็เนี่ยยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เร็วได้ที่สุดต้องใช้พลเจ้าถึงห้าองปกตินะเขมีเพีองอ์เดียวส อ, องยุคยุคที่เร็วรสจะมียุพเจ้าห้าองเอาล่ะนะครับตกวงว่าเนะนี่ยกับนึงก็ต้องรู้กี่ล้านปีแล้ว เสร็จแล้วคราวนี้นี่มหากรับอ่ถ้ากับหนึ่งกระสงไข่หนึ่งกระสงไข่คือมหากรับมันนะยี่ปีก็นับไม่ถ้วนครั้งที่หนึ่งคูณนับไม่ถ้วนครั้งที่สองแั้ไม่ถ้วนครั้งที่หนึ่งคูไม่ถ้วนครั้งที่สองล้านลลลลานลานปีคูณล้านล้ลลลนคูณที่สองแล้วแปดแสนกระสงไข่ทำไมคูณแปดแสนก็ไปอีกนั่นแหละก่อจะได้เป็นคนเจ้า กว่าจะได้เป็นพระเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ใช้เวลานานสองแสนแปดแสนสะสมไข่แล้วแต่องค์ไหนเป็นสายเจโตสายปัญญาสายปัญญาจะเป็นพระเจ้าเร็วนะ 2, สองสายสะสมไข่ก็ได้อนะสายเจโตนี่ก็สี่แสนสะสมไข่สายกึง่งเจโตกึ่งปัญญาแปดแสนสะสมไข่กึ่สายาที่ไม่ไม่เด่นทางใดทางหนึ่งแปดแสนสะมไข่นานมากเลยแล้วเรียนเรื่องอะไรครับเรียนเรื่องเดียวคือการแก้ไขปัญหาทุกของชีวิต เนี่ย yeah. เป็นทำให้ผมสะดุดไปตรงนี้นะการแก้ไขปัญหาทุกของชีวิตความเจ็บปวดป็นทุกไหมเป็นมันกันความเจ็บปวดก็คือเป็นหนึ่งในทุกของชีวิต เราพระเจ้าก็รู้แต่งฌานบนแหละเพราะกว่าจะได้เป็นพระเจ้านะครับถ้าใครศึกษานะท่านจะต้องเคยเป็นหมดทั้งคนทั้งสัตทั้งไรนะต้องเป็นบำเพ็ญหมดเลยนะแล้วเป็นคนต้องบำเพ็ญทุกอาชีพที่มันที่มันเป็นกุศลน่ะท่านเคยเป็นหมอมาแล้วท่านเคยเป็นครูมาแล้วท่านเคยเป็นตํารวจเป็นทหารเป็นสารพาดเป็นเป็นพ่อค้าเป็นอะไเคยเป็นมาหมดทุกอาชีพแล้วเก่งทุกอาชีพเคยเป็นมาหมดทุกอาชีพแล้วเก่งแต่ฐานทุกอาชีพกว่าจะได้เป็นพระเจ้า ขนาดปานที่เป็ระเจ้าจบปริเอกสิบแปดสาขาคุณคิดดูสิยุคนี้ใครไปทําได้มั่งปริเอกสิบแปดสาขาไม่ทาสิสาคาเดียวจะตายอยู่แล้วผมว่าัวพันจบแล้วจบแล้วคนซื้อเอาสาขาเดียวยังไม่จบอยู่แล้วจบปริเอกทัสิบแปดสาขาท่านเรีย น, นท่านไม่รู้เท่าไรเท่าไรท่านรู้โลกอยเด่นเกินได้ชื่อว่าเป็นโลเกาวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ ง, งอนุตรโรอนุตตระผู้ไร้เกียมทานไม่มีผู้บุธเธียมเท่าแล้ว ไม่มีผู้ใดเคียมได้แล้วมีก็เรียว่าผู้ใดเคียมทานนะครับเพราะงั้นเนี่ยสุดยอดแล้วแล้วตัดได้ว่าไงครับท่าตัดได้ว่าคําใดนะที่เราตัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้พังกดีนะฮะแล้วผมจะโยมลงไปที่สัจจคติของพระเจ้าว่าท่านตัดเกี่ยวกับสุขภาพท่านตัดได้ว่าคําใดที่เราตัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้ นักเลงคุณเอยิปปิโกนท้นบอกนะเชชิญใ้มาพิสูจน์กันได้อาคาลิโกเป็นจริงตลอดการฟังอยู่ดีนักเลงมนักเลเียุจนักเลงผมว่าไม่มีนักเลงจอากาลิโกเป็นจริงตลอดตลอดการซันที่ดโกผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้แต่ตนเอง เพรู้เเห็นได้ได้วยตนเองเนี่ยคือสุดยอดอยจริงเลยท้าทายมาที่สุดเลยนะครับ น, น, นั่นคือสิ่งที่น่าสนใจพอเราศึกษาประเด็นพิดกเหล่านี้นะแล้วพระเจะตัดไปเปี้งเปีงเ ป, ง, ปงอย่างนี้แลมันโอ้โหอะไรวะนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็ปฏิบัติทําไปเราเริ่มเห็นเห็นว่าโอ้คําตัดพระเจ้าจะมีประโยชน์จะมาช่วยแก้ปัญหาทุกข์ของชีวิตได้จะมาลดปัญหาทุกข์ของชีวิตหรือแก้ปัญหาทุกข์ของชีวิตได้ ผมเกิดสะดุดขึ้นเออก็ขนาดหมอทั่วไปนะที่เขาเรียนกันหกปีสิบปีนี่นะ <c oughs> เขาก็ยังนับถือทั่วโลกผมคิดดูซิเรียนแค่หกปีสิบปีเขายังนับถือท่วโลกอะ่ะแล้วคนเรียนตั้งแปดแสนสะสงไัยอะ่ะเราไม่ฉกคิดไม่สะดุดต้งไงว่าโอ้โหจะมีองค์ความรู้มากกว่ากี่เท่า ค, คือจะมีปฏิภาณมีองค์ความรู้มีเทคนิคในการออแก้ไขปัญหานี่มากกว่ากี่เท่า เออจะนับถือกว่ากี่เท่าคุณคิดดูสิก็ขนาดเรียนหกปีสิบปีก็ยังนับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าคนลืมไปลืมนึกถึงตพุทเจ้าโอ้แล้วพุทเจ้าสองแสนถึงแปดแสนแสองขวาแล้วเรียนเรื่องเดียวนัว้นเราเคยเป็นหมอมาด้วยนะเคยเป็นบังโหแล้วด้วยจะยอดเยี่ยมกว่ากี่เท่าโอ้ผมคิดว่าเพียบกันถ้านเที่ยบเทียก็ยกไม่ติดกันะถ้าพูดถึงความเชี่ยวชาญนะ คนหนึ่งเงิยนหกปีคนหนึ่งเงินลานลาลาลาลาล้ า, า, านปีเราเรีนเรื่องเดียวเลยนะการแก้ไขปัญหาทุกุงชีวิตนี่น่าสนใจมากเลยผมเลยเออปริจจาร์ตัดมงหน้าที่สูตร์นะแลเลยอยากพิสูจน์ทาตัดพริจจาก็ลเลยเนี่ยลองลองพิสูจน์เอาคําตัดปริจ้าจ์มาใช้ดู ในงานสุขภาพโดยเอามาร้อยเรียนกับองค์ความรู้ทุกแผนนั่นแหละเราไม่ตีทิ้งสักแผนเพราะทุกแผนก็มีดีของเขาเราก็ไม่ตีทิ้งแต่ในขณะเดียวกันว่าจะมีแกนมันึป็ที่สําคัญสําคัญนี่จะที่จะเอาองค์ความรู้นั้นมาใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุดเนีมันต้อ ง, ต, องต้องใช้องค์ความรู้ของพระพุทธเจ้าคำตรัสพระพุทธเจ้าเข้ามาบริาการนะครับนั่นแหละทาให้ผมเรื่องสะดวกฉุกคิดแล้เราก็นึกถึงการปฏิบัติตามแนวเศรษฐิพอเพียงผมก็นึกถึงการปฏิบัติตามแนวเศรษฐิพอเพียงเพราะว่า ในหลวงถ้าเราทําัญศรษกิจพอเพียงเนี่ยผมรู้สึกเป็นสิ่งที่มีค่าและผมก็เคารพในเรืและครูบาอาจารย์นะพ่อท่านก็บอกว่าในหลวงคือพ่อบริษัทธงหนึ่งนะครับผมก็เคารพแม่เราเป็นพ่อบริษัทธงหนึ่งที่มาบําเพ็ญให้คนมีความพากย์ให้ใ ห, ให้ให้ค น, นได้รับความพากย์ให้นำรับประโยชน์นะครับถ้าท่านตัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยความจริงก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้า น, นั่นแหละน่าสนใจที่ท่านตัดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีเศรษกิจอเท่าไหร่ใช้ให้พอ ทำไงมันจะพอใช้ในการแก้ไขปัญหาทุกของชีวิตแล้วให้ดีไปกว่านั้นทําไงมันจะพอเหลือเกื้อกูลคนอื่นทำผลนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงเลยให้มัเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันตัวเองเหลือกินเหลือใช้ศรษฐกิจที่คุณมีเนี่ยทำไงคุณจะเหลือกินเหลือใช้ที่จะใช้แก้ไขปัญหาทุกของชีวิตคุณแล้วมีเหลือที่จะเกื้อกูลคนอื่นนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงคือตรงนี้แล้วผมสนใจท่านตัดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบพอจนนะ ท่านบอกว่าการการบริหารเศรษฐกิจแบบคนจนท่านตัดไม่ทด้งนั้นเลยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมได้แก้ไขปัญหาชีวิตได้ถ้าสนใจถ้าสมมติว่าเรามีตังน้อยแล้วเรารักษาโลกเราได้แล้วเหลือแจกเนี่ยโอ้มันจะพิเศษไหมคุณล่ะผมว่าพิเศษนะตอามีตังน้อยแต่เกื้อคุณดูแลตัวเองได้เหลือเฟือแล้วเหลือแจกก็เนี่ยเพราะตังน้อยมันต้องหามากไหมมันก็ไม่ต้องหามากใช่ไหมแล้วไม่หามากเหนื่อยห ม, มันก็ไม่เหนื่อยใช่ไหม คือมันไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องแย่งมากอ่ะแต่มันพอใช้อ่ะมันสุดยอดนะผมว่าถ้าใครทําตรงนี้ได้สุดยอดนะไม่ต้องหาตังค์มากแต่พอใช้ถ้าเรือแจงกันหางนี่นี่คือสุดยอดมันไม่ต้องเหนื่อยมากแต่ถ้าต้องหาตังค์มากๆก็ล้วที่จะพอใช้เหนื่อยมากไปเหนื่อยมากก็่ใช่ไหมเพอเพอหามากก็ไม่พอใช้ซวยหามากก็ไม่พอใช้ถ้าเรามีน้อยล้วพอใช้มีมากก็จะมีปัญหาอะไรใช่ไหมมีมากก็ดีสิไม่เป็นไรเลยมีมากก็ใช้ประโยชน์ ผมก็สนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงสนใจเรื่องนี้แล้วก็การท่าพิธีพูดผมสนใจหลักๆคือสามเรื่องนะพอพอมาเป็นอย่างนี้พูดเนี่ยบริกันมาสนใจหลักๆแค่สามเรื่องนะครับหนึ่งทำอย่างไรจะใช้สิ่งที่ประหยัดเรียกง่ายที่สุดประหยัดที่สุดเรียกง่ายที่สุดซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดนะครับว่าตรงกับหลักพูดใจยังไงหนึ่งผมก็การความประหยัดที่สุดเรียกง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาสุขภาพก็ในในประเด็นสุขภาพนะแก้ไขปัญหาสุขภาพต้องการประหยัดที่สุดเรียกง่ายที่สุด อันที่สองผมต้องการประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ปัญหาสิ่งที่ประหยัดที่สุดเร่งให้ที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหานี่ต้องการข้อที่สองนะครับแล้วข้อที่สามที่ต้องการก็คือว่าทำํทำยังไงจะทําเองได้แต่ละคนแต่ละคนสามารถทำเอาเองได้เป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของสุขภาพแล้วแก้ไขปัญหาสุขภาพของตัวเองได้ผมต้องการสามเรืร่องเกิดมาบนเดนชาเนี้ยถ้าผมพบสามเรื่องผมจะว่าผมประสบความสําเร็จแล้ว และสุดท้ายผมก็พบสามเรื่องนี้แล้วถึงวันนี้ผมตายก็ได้อยู่ก็ได้ผมจบจิ็หละชานนี้จบจิบเรียื่องสามเรื่องนี้แก้ไขปัญหาทุกของสุขภาพของชีวิตจบละเพราะเราชัดแล้วเรารู้วิธีละไดะ้ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายแล้วมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ทำเอาเองนด้ พราฉะนั้นถึงวันนี้ผมก็ตายตาหลับและสบายใจ sting, ใเป็นชีวิตที่ประสบควา ม, มสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในตัวเองนะไม่ใช่ประสบความสำเร็จในผู้อื่นในชีวิตผ ม, มผมประสบความสำเร็จแล้วเพราะผมเจอสิ่งนี้แหละเอาเจอแล้วผมก็ <I> met, <qualité S 1> ตายก็ยนะได้อยู่ก็ไกด้ตามนะี้ตายก็สบายในระดับหนึ่ช็ออยู่ก็ทํางานไปช่วยเหลือคนก็ดีไปกุศลตายก็ดีอยู่ก็ดีตายก็สบายนะไปเอาร่างใหม่ไปเกิดใหม่มาต้มีกนะ อ่าอยู่ก็ดีนะใช้ร่างนี้บำเพ็ญต่อไปทำประโยชน์ให้กับคนอื่นลงวันนี้ตายก็ได้อยู่ก็ได้สบายเพราะเราเจอสิ่งที่เราไขว่คว้าต่แหวนหาแล้วก็คือการท่านไปี่ปุนะครับที่หละผมก็ร้อยเอาคำคำตัดของพระเจ้าแล้วก็มามาใช้ยุคนี้นะครับแล้วเราเจอปฏิหารขึ้นมากมายอ่เอออยากให้ดูปฏิหารแล้วก็ลงไปที่คําตัดพระเจ้าเลยนะว่าเอ้มันมีปฏิหารยังไงแต่ปฏิหารนี้ผมจะไม่พูดอะไรที่มากแต่ผมให้ดูสถิตินะครับ ว่าเอ๊อมันแปลกนะว่าเอ๊ะทาไมอ่ะน่าใช้วิธีที่ประหยัดที่สุดเรียบง่าที่สุดเนี่ยต้อเกิดทําให้เกิดผลได้ขนาดนี้หรือนะครับที่ผลที่กําลังจะเล่าให้พี่น้องฟังนี่เป็นขนของเดือนตุเ อ, อเดือนเดือนมกราที่ผ่านมานะครับเนี่ยจากมกราถึงถึงหกเดือนมันนี้ผมยังไม่ได้ประมมวลเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในค่ายนี้เสร็จมีนจะประมมวลเพราะว่าจะต้อง จะต้องนําเสนอผ่ต้ตรวจนะครับในหกเดือนมาเนี้ยแต่หกเดือนมานี้โอเคสเนี่ยนะไม่ต่กาก็จริงจริงไม่ต่ําว่าพันเคสในหกเดือนมานี้ก็ไม่ต่ําว่าพันเคสนะครับไม่ต่ากว่าพันรายนะที่เขามีสภาพดีขึ้นแต่ผมเปิดด้คร่าวๆอยู่เก้าอร์เซ็นต์มีสภาพดีขึ้นแล้วส่วนใหญ่คนที่มาหานะ คือคนที่หมอคันตรงก็าตายกับหมอที่ฟันตรงก็ไม่หายของโรคนะผมราาักษาไม่ได้ราานะักษาหน้าผาเขาขึ้นตัวเองอยู่ของโรคเนี่ยนะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นโรคที่หมอคันตรงกตายกับหมอคันตรงกไม่หายนะครับเป็นสิ่งที่เราเราจะพบบ่อยๆนะักแต่ครับก้าสิบเปอร์ซ็นมีสุขภาพดีขึ้นภายในเจ็ดวันภายในห้าวันเจ็ดวันนี้คือเรื่องที่ประหลาดมากนะครับเอ่อมาดูสถิตินิดนึงโอ้อ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาดูความมัศจร์ของแพทยวิถีพุทธนะว่าเอ๊ะพอเราทาไปเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์ยังไงแล้วเราจะลงเนื้อหาของพระพุทธเจ้าแล้วผมจะลงลึกเรืงกันล้านผิดวันนี้จะลงลึกเรื่องการหลานผิด <c oughs> อ่างน้อยเราได้รู้ที่ไปที่มานะว่าเออสิ่งมหัศจรรย์มันเริ่มเกิดแล้วสิ่งมหัศจรรย์มันเริ่มเกิดแล้ว <c oughs> ใ น, ในจากผู้ป่วยพันกรายนะครับเราก็จะแยกว่าในในรอบปีที่ผ่านมานะครับเราก็จะมีผู้ป่วยหาวานที่มาเข้าค่ายเนี่ยคนนะครับอันนี้จคนเนี่ยจากการคำนวณทางสถิติพบว่าหลังจากที่เขาปฏิบัติตัว5วันนี้นะครับพบว่าน้ำตาลในรลืดลดลง 88.03% โดยไม่ได้ใช้ยานะหมว่าวิธีการของเราไม่ได้ใช้ยาส่วนคนไข้จะกินยาหรือไม่กินยานั้นแล้วแต่เขา กินยาก็ได้ไม่กินยาก็ได้ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาก็คือคนที่กินยาแล้วมันไม่ลงนะครับกินยาฉีดยาแล้วไม่ลงเลยก็มาแต่ปรากฏว่า 88.3 เปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเนี่ยก็รักษา ล, ลดลงกันนะครั บ, นะรบนะแล้วก็เราแก้ปิญหาได้หกเดือนก็หยุดยาได้สามสิบคนก็หยุดยาได้เลยนะเนี่ยเบาหวานก็หยุดยาได้ปกติได้นะมีทั้งฉีดยามาตั้งสามสิบปีแนละ้วหนึ่งในในในสามสิบคนเนี่ยฉีดยามาสามสิบปีอะ เลิกยาไม่ได้พอมาเข้าค่ายเราก็เลิกยาได้ภายในหนึ่งเดือนเขาจริงภายใน3าวันก็ทิตย์สมวันหนึ่งเดือนร่างกายก็ปกติน้ำตาลปกติแต่ก็เลิกยานะมันมากจังเราเจอเรื่องเงี้ยเนี่ยไปไม่เมื่อเมื่อสักกี่เดือนมาแล้วนะสองําเดือนนี้มันไปช่วยที่โรงพยาบาลโพทองจังหวัดอ่างทองนะไปทําค่าสุขภาพปรากฏว่าคนไข้เบาหวานความดันยี่สิบสี่คนนะเราทำห้าวันปรากฏว่าน้ําตาล น้ำตาลลดลงในคิดปกติแล้วมันมหาจันทร์มากเลยนะยี่สิบสามคนตลบมากเลยนะมันประหลาดมากเลยยี่สิบสามคนน้าตาลลงกันหมดเลยนะครับภายในห้าวันนั่นนั่นมันเขามากันมากเลยโดยโดยเราไม่ได้ใช้ยาแล้วมีคนไข้ที่กินยาอยู่แค่สองคนเรามาเล่าให้ฟังกินยาสองคนแล้วนั้นไม่กินยาในในยี่สิบสี่คนก็กินยาอยู่แค่สองคนนะครับพน้าตาลลดนอกนั้นไม่กินยาน้ำตาลลดลงมียี่สิบยี่สบสามคน ผู้ป่วยไขมันเลืสูงนะครับมาเข้าค่าย158คนเนี่ยนะครับหลังจากที่เราปฏิบัติ5วันนะครับคุอก็ปฏิบัติ5วันน้ำความดันโลดลงนะครับวนี้ความดันลดลงเนี่ย 83.54 เปอร์เซ็นตนะครับหลังจากนั้นการ6เดือนนะครับหยุดยาได้29คนครับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงนะครับ78คนหลังจากนั้นการ1เดือนไขมันในเลือดลดลงเนี่ย 7.30.8 เปอร์เซ็นนะครับ ประเด็นนี้แม้กินยามันก็ยังไม่ได้นะฮะกินยาก็ไม่ได้แต่แต่การใช้วิแทบเป็ิพุฒมันมันเป็นไปได้ทำให้ตายแต่คุณจะอัดยาแค่ไหนมันก็ไม่ลงไม่ได้มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากพวกมะเร็งนะครับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนหลังการรห้าวันนะครับอาการเจ็บป่วยไม่สบายลดลงถึงแปดจุดห้าเก้าเปอรเซ็นต์มาดอหน้าปลาบพวกมันกลับกันเลยกับกับหมอแผนปัจจบัติมันกลับกันเลยนะฮะถ้าใครเป็นรักษาในแนวทางแผปัจจุบันนะ อ่าอาการไม่สบายเนี่ยระหว่าลดลงกับมากขึ้นเนี่ยเราจะมากกว่านะวนนี้คนไข้ปฏิีเนี่ยนะครับแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์จะโซมออกมาของเร า, นนาเนี่ยนะคนไข้งงเงีงงงเงีงมาในแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่ยดีขึ้นปฏิติกับวอสกันเลยครับกับวอสกันเลยในในกรณของมาเองครับหลังจากปฏิบัติเนี่ยตัวนะครับต่อเ น, นื่มันเนี่ยมีผลนะครับ มีผลตรวจร่างกายจากแค่แผนปัจจุบันไม่พบมะเร็งหรือสภาพร่างกายมีอาการเหมือนคนปกติต่อเรื่องกันผุนเดือนขึ้นไปนะครับยี่สิบสองจุด้าสเปอร์เซ็นตครับปัจจุบันนี้ในในระบบแผนปัจจุบันทําได้ไม่ถึงห้าเร์เซ็นะไม่ถึงห้าเปซ็นในระบบแผนปัจจุบันแต่ในระบบแพทย์วิถีพุทธได้ถึงยี่สอเปอร์เซ็นตนี้คนไข้าปานตายแล้นั่นแนหะคนไข้มะเร็งนะ มีชีวิตอยู่ได้อาการไม่สบายจากพิษของมาเร็งมาเรงลดน้อยลงนะครับหรือยืดอายุออกไปได้มากกว่าการคาดการของแพทย์ในปัจจุบันเนี่ย 63.07 อนตะครับอันนี้คือยืดอายุออกไปหรืออาการไม่สบายลดลงนะคย 63.07 รวมแล้วก็82นะครับเราก็ไม่ได้เก่งนะครับพี่น้องทั้งหลายนะเราก็สู้ไม่ได้เหมือนกันคนหนักๆมากๆนะอาการไม่ทุเราเลยนะ1 4 4 1 มีเหมือนกันนะที่กู้ไม่ขึ้น น, <c oughs> นะที่ผ ม, มเล่าไปว่ามีเหมือนกันนะที่กู่ไม่ขึ้นมีสามสามเรื่องอนะคนที่กู่ไม่ขึ้นนี่นะหนืงน่ ง, น, ง, ง, ง <c oughs> ะนะครั บ, บร 9, 9, 9, 1, ทําไม่ได้เนี่ยกินยาเก้าเม็ดคืนไม่ลงคอิืนยาก้าเม็ดไม่ลงคอเรื่องจะบอกก็อย่างทําไม่็ดนะครับวินิจบรีบรัดเก้าข้อหนึ่งทําไม่ได้สองนะครับวิบากแรงแม้ทําได้นะแต่มีบากแรงเกินไปเวกรนกำแรงเกินไปนะมันจะอ๋อ ที่บาดแรงเดี๋ยวคุณกรู้เองมันจะมีตัวมาทำร้ายตัวอะไรต่าง ๆ, ๆที่บาดแรงเกินไปอันที่สามนะครับอาการหนักเกินไปอาการหนักเกินไปก็สู้ไม่ได้หนักเกิ น, นจริงเนี่ยโอ้พลังชีวิตหมดเลยเงี่นะไม่เหลือพลังชีวิตเลยที่จะฟื้นอันนี้ก็สู้ไม่ได้จะมีสาสานกลุ่มส่วนโรคหัวใจนะครับสิบสองคนนะ่ะหลังจากปฏิบัติตัวห้าวันก็อาการเจ็บปวยไม่สบายลดลงเจ็ดสิบห้า เจ็ดิบหาเเซ็นครับรุ่นที่แล้วก็มีอรับเขาใชโรคหัวใจที่หมอนัดผ่าตัดหัวใจแต่เขาไม่อยากผ่าแล้วมีอาการเจ็บหัวใจมาเลยนะแต่ั๊ปั๊บไปปั๊บามีอาการเจ็บหัวใจมาเลยฮะพอปฏิบัติตัวไปเจ็ดวันเขามารายงานตัวหมอให้เจ็บแล้วหายไปหมดเลยเขาเพิ่งเจ็บแล้วไม่ไปผ่าแล้วเขาบอ้นะเพราะว่าอาการมันต่างหายหมดเลยรุ่นที่แล้วก็มีแต่หมอนัดผ่าแล้วแล้วอาการเจ็บหัวใจเขาไม่หายสักทีไม่หายสักทีหมอจะนัดผ่าเข้ามาเข้าค่ายอาการหายไปหมด โรคมาติดต่อแลวอาการเจ็บปวดเรื่องทางเดินนะครับเช่นเนื้ อ, องอกภูแพ้เก้าดูม่าตอยปวดข้อปวดเ ข, ข่าวปวดตาเนื้อตัวปวดศีรษะปวดประจำเดืนอนเจอบ่อยเป็นปวดระจำเดือนนะโรคกระจอะปวดประจำเดือ น, น, นโรคคีบจิบโรคกร ะ, จระจเจาะกระเจา โ, คโรคเทคนิคหน ก, ก็หายแล้วนะเรียลแวงอ่อนล้าหน้ามืดวิงเวียนศีรษะโรคทางเดินอาหารเสื้อรังนะครับภูมิต้านทานลถและ ติดเชื้อตามพวกลต่างๆนะเป็นต้นพวกไวรัส A B C D มันติดเชื <Bla sweating myślę> ้ออย่างเงี้ยติดเชื้องนี้สารพัดนะโอฉันหลานเจอไวรัสเพียบอติดเชื้อไวรัสสารพัดผมถึงแค่เจอเยอะเลยนะฮะเนี่ยเจอเยอะเลยแล้วแปลก็ถ้านปฏิบัตินดีๆพอไปตรวจก็จะพบว่าค่าตัดลดลงไวรัสลดลงอะไรลดลงนะเจ็ดวันแล้วนะฮะเปลี่ยนเลยพอมีมีหลายคนที่เปลี่ยนเปนเจ็ดวัน จำนวนหนึ่งพันสามรอยเก้าสิบเจ็ดคนนะครับหลังจาการห้าวันนะครับอาการความเจ็บป่วยไม่สบายลดลงเก้าสิสองจห้าหนึ่งเอร์เซ็นต์อ่นี่คือสถติที่ที่ ท, ที่ผมได้บอกว่าผ ม, ผมนอนตายตาหลับแล้วผมเจอแล้วเจอท่า ว, วิธีการที่คนส่วนใหญ่จะพื้นตัวเองได้เพราะถ้าท่านดูจาสถิติทั้งหมดเนี่ยจะพบว่าประมาณเจ็ดสิบถึงเ้าสิบอร์ซของความเจ็บป่วยเนี่ยคนสามารถดูแลตัวเองได้ค น, นแต่ละคนสามารถดูแลตัวเองได้ทำเอาเองได้นี่คือความสามารถ แต่ว่าพระเจ้าไม่ได้โกหกพระเจ้าตรัสเลยว่าอัตตาหิอัตนนโนมัติโถต้นดูแลตัวองตนเปดีที่สุดหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองนี่คืออัตตาหิอัตโนมัติโถตนเป็นที่พึ่ของตนนี่แแปลว่าหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวท่านเองหรือแปลว่าไม่มีใครดับทุกข์ให้เราได้นอกจากตัวเราเองพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกครับก็นในเมื่อหมอเขาเก่งๆทนางนี้นเนี่ยเราดับทุกข์ให้คนในสังคมได้ไหมล่ะดับทุกข์ได้เป็นส่วนมากไ้มล่ะ ก็ทำได้ยี่สามสิเอร์เ็นตน่ะขนาดโว้ยคนไปเรียนหมออะไรคนยอดยอดทั้งนั้นแหละนะแล้วเป็นไงนงานตอนนี้โรคจะเล่นงานหมอเอาเสิง้นจริงๆแล้วไม่มีใครดับทุกข์ให้ใครได้หรอกนะตาได้โจคัมโจข่าวไปอย่างั้นนแหละนะโจข่าวแต่ดับจริงๆนั้นต้องทําเอาเองจะดับทุกแท็จๆต้องทำเอาเองคนอื่นทําให้ไม่ได้พี่เจ้าีเรียนมาแปดสายมาคงใครรู้เลยเพ้่สุดท้ายแต่ละคนต้องทำเอาเองจึงจะทนทุกข์ไม่ใช่ไม่เคยทันทนหรอก ค่ายของเราจึงเป็นค่ายที่ไม่เหมือนบ้านเหมืองเขานะซ้อนให้คนเป็นหมอดูแลตัวเองเพราะถ้าใครคิดว่าจะให้มาให้หมอเขียวรักษาอีผิดแล้วนะไม่ให้มมหมอหนารักษาหรือไม่ให้ใครรักษาอีผิดนะผิดเป่าแล้วเนะอท่านจะต้องรักษาตัวเองนะแต่เราสักพวกผมจะรับใช้ท่านในเรื่องของบอกวิธีไปนี้ไปนี้ไปนี้ไปนี้ไอนี้ทํานี้ทํา น, น, นี้นะเพาะท่านจะรักษาตัวเองไปนะครับนั่นแหละเพราะว่าวิาชานี้จะได้ติดตัวท่านไปแล้วก็รักษาไป ทั้งชาติเลยครับเราเรามาเรียนวิชาเป็นหมอโด ย, ยตัวเองครับมันยันยืนมันยันยืนมันยันยืนด้วยมันก็ะหยัดด้วยแล้วก็ตามหมอในทุกเวลาด้วยใช่ไหมผมเป็นหมอของตัวเองอะ่ะการเดืยวก็ตามเลยหมอหมอบ<ม>อกตัวเอง <c oughs> เลยนะ <c oughs> ป่วยแล้วป่วยด้วยได้วยไป <c oughs> นะไม่ต้องเสียตังไม่ใช่ไหมเรียนในทุกเวลาไม่ต้องปเป็นห่วงอีกเ้าเลยนะออืเขาเต็มใจใช้เลยแล้วเขาเก็บตันค์ด้ว เขาไม่เก็บด้วยนะหมอที่ไม่ชัดเขาไม่เก็บตังค์คุณด้วยคือตัวคุณเองนะไม่ถิอเก็บตังค์ตัวเองหรอกเขาจะไม่เก็บตังค์คุณหบังหมอหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองแล้วหมอคนนี้น่าไม่เก็บตังค์คเลยนคุณเรียกใช้ทุกเวลาเนี่ยจริงๆเป็นวิธีแก้ไขปัญหาหมอขัดขาดแคลนอันนี้เป็นรายชื่อผู้ป่วยสารพัดนะผู้ป่วยมะเร็งสารพัดอันโอ้ตอนนี้สุดท้ายเทียบกันนะแล้วก็หายได้นีรายชื่อผู้ป่วยมะเร็งอะไรแตเดี๋ยววันหน้าเขาจ ชื่อผู้ปว่วยมาเรงนันนี้ก็นนกผู้ปว่วยมาเร็งที่โลกนั้นโลกนี้สารพัดโลกกันนะที่เขาเป็นความตายรักษาไม่หายเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับเยอะแยะอันนี้เลยมไหมโอ้ดิกับมาเรงนะน่ะนเนี่ยหกเซนเนี่ยยุบหายหมดเลยภายในสี่เดือนอดีหานเลยอะไรเงี้ยเยอะแยะนี่เป็ผู้ปว่วยแล้วนะั่นแหะโลกออันนี้ก็ฟรีติดซุโดโรมนเนี้ยหายได้ไงโือไม่ใช้ยาปฏิชีวนะไงน่สญญานสญญานใจไะติดเชื้อไวรัสก็เหมือนกันอนะไรต่าง ทำไงนะวรัตจะลดลงได้เลยไม่จำใช่ยาจะใช้ความสมดุลไปสร้างปู๋มมันฐานทเอาละ ท, น ท, ท่นี้มาดูคําตัดพระเจ้ามัมา่เมื่อกี้นี้ให้วันหน้าผมจริงให้ดูพวกเปลือยต่างๆนะครับถึงจะเล่าให้ฟังใครเป็นโลกไปวามั่งใครเป็นโลกนั้นโลกนี้โลกตับโลกสารพัดโลกนะวันหน้าเดี๋ย่อยเล่าให้ฟัง วันนี้นีมาดูคำตัดพระเจ้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้พักกันนะจะให้ดูคำตัดพระเจ้าเสร็จแล้วเราก็จะพักะหลังจากที่ดูคำตัดพระเจ้าแล้วเราก็จะพัก อ, อ่าผมอธิบายไปประมาณหนึ่งพอพักเสร็จจะมาดูเต็มฟังด้วยกันล้านพิธนะครับวันนี้จะเอาอยู่ประมาณนี้ก่อน น, ะะอน่าสนใจมากกับคำตัดพระเจา้าที่ถ้าใครศึรกษาพระไรปดฎกน่าสนใจ จ, จ, จริงๆนะใครใครเป็นชาวพุทธเนี่ยน่าสนใจ จ, จริงๆว่าพระเจา้าท่านประกาศว่าท่านเป็นผู้รู้วิธีดับทุกข์ น่าสนใจนะท่านรู้วิธีดับทุกข์แล้วเจ็บป่วยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์แล้วท่านบอกว่าท่านรู้วิธีดับทุกข์แล้วท่านก็บอกว่าสิ่งใดที่เราตัดไว้จะไม่มีผู้ไรลบล้างได้มันน่าสนใจห้หแล้วท่านเรียนตั้ง 8, แปด แ, 8, แสนอสมไทยสองแสนหรือแปดแสนอสมไทยผก็จะบอกอู้ที่เราชาวพุทธในเมืองไทย90เปอร์้า็นต์เป็นศัสนาพุทธ แล้วเมืองไทยมีพืชมากกว่าสองเมืองชนิดมียามากที่สุดในโลกแล้วคนไทยกำลงังจะป่วยติดอันดับโลกเป็นเมืองที่รู้วิธีดับทุกข์แต่คนน่ะทุกข์ทั้งเมืองมันแปลว่าอะไร แก่เกลือกินอะไรได้คิดเราเองนะ่เกลือกินแกบไ่เกลือกินแกบนะก็คืออะไรมื่อก่อนคขาบอกว่าเราไม่ใช่กินด่านะไก่เกลือกินกินด่าถูกนเป็นคาโบราณไก่เกลืออะไนะใ่เขาเขามีคาเขามีคาเปียบเปยที่มันที่มันอะไรอ่ะที่มัน ที่มันเขาเรียกว่าอะไรกว่านั้นนะที่มันชัดก่านั้นนึกนึกไม่ออกนะเออเอาไดนะแบบเอากินด่างก็ได้นะใกล้เกลือแต่ไม่มีเกลือกินอะไรก็ได้กินข้าวก็ได้นะใกล้เกลือกินด่างใก้เกลือกินแก่ไม่กินข้าวก็ไม่เหลือม่กข้าวก็ไม่เหลือให้กินแล้วเออใช่ใชใกล้เกลือไม่ได้กินแต่คิดข้าวั้ เกลอ็ไม่ได้กินนะคิดเท่าก็ไม่ได้ใช่ใกล้เกลือไม่ได้กินแมนนะ้แต่คิดเท่าผมว่าหลายคนลึกๆนะการพระพุทธเจ้าแต่ลึลกๆ เ, เนี่ยไม่เชื่อปัญญาพระพุทธเจ้าการการนันศรัทธาส่วนรู้ไมศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์จริงๆกาบพระพุทธเจ้าสนเป็นศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ได้ศรัทธาปัญญาพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้วิธีแก้ปัญหา ก็เายการผิดอันน่นกะการผิดอันก็เลยไม่ศึกษาว่าท่านตัดอะไรเกี่ยวกับสุขภาพไว้บ้างนะโอ้แับไว้ไหมนะแล้วถ้าใครได้มีโอกาสเรียนการแพทย์ทุกแขนนะผมท่าเลยนะคุณจะหมดสงสัยจริงๆอย่างผมไี่เรียนการแพทย์ุกแ ผ, ผมหมดสงสัยผมหมดสงสัยเลยว่าไม่มีใครยอดพระพรทเจ้าหรอกในโลกใบนี้ไ่มีใครยอดพระพุทเจ้าหรอกไม่มีใครนะยอดเท่าหรอก ก็ลองไปศึกษาทุก แ, แผมเลยนีย่โซโล่มาหมดแล้วแนปัจจุ บ, บันแผนไทยแผนทางเลือกเราเพื่อนผมนี่เป็นแพทย์ทางเลยุกรปตายมาเยอะแล้วตายมาเยอะแล้วเพราะเพราะว่ามันต้องเอาชีวิตเข้าแลกครับรู้ไหมกันจะเป็นหมอทางเลือดมันไม่ใช่ง่ายนะเอาชีวิตเข้าแลกเพราะมันไม่มีตำาราเรียนโดยเฉพาะคอ้แหกกรอบไมมีตำราเรียนอะ แพทางเลือกเนี่ยแหกอกเรียนยกเว้นแต่แบบ th ท <ification> though, พทย์ทางเลือกที่อยู่ในตำราโอเคไม่มีปัแต่พวกแพทย์ทางเลือกที่รู้ว่ามันแผแพทย์ทางเลือกกตัญแพทยนไทยกตัญแพทยนปัจจุบันกตัญไม่ันกันหมดเลยพอตันกันหมดเสร็จจะแหกกรอบไปไหนเออชีวิตเแน่เแล้วเพื่อนผมี่เป็นแพทย์ทางเลือกนะรุ่นพี่รุ่นเพื่อนตายไปเยอแล้วกผมจะมาเจอแม่เจอแพทย์ทางเลือกอย่างพระพุทธเจ้าพระพเจ้าเป็นแพทย์ทางเลือกที่เก่งที่สุดในโลก ท่านนี่แหลิดสุดยอดฝีมือ้พระเจ้าคือดสุดยอดนีมมาดูตัวตรวแรกนะที่พระเจ้าท่านตัดนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากท่านตัดอะไระท่านตัดอะไรตัวแรกเนี่ยให้ดูเปนชัดๆเลยนะมันจะเป็นรหัสที่เราจะไขแน่นอนนะทุกแผนเราไม่ตีทิ้งเขานะองค์ความรู้ดีๆของคำเราเอามาประยุกต์ใช้เราก็ไม่ตีทิ้งทุกแผนแต่เราเอาของพระเจ้าที่สุดยอดน ดูวเข้าไปด้วยเลยมาบริกา ร, าร เ, เติมเต็มเข้าไปเรนะื่อยมันจะใกล้เทียมทานเลยอยทีเนี้ยนะจะไม่มีการรักษาสภาพแนวไหนเขียมเท่าอันนี้หรอกรถ้าใครใช้แม่นใช้ถูกเนะี่ยไม่เท่าที่สุดยอดล้วใครมรียนกับเรียนทุกแผนจะรู้เลยว่าโอ้ที่สุดยอดที่สุดแล้วของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระทธเจ้ตัดได้ว่าไงครับธรรมะที่นํามาใช้ในเรื่องของสุขภาพนะที่พะทธเจ้ตัดเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเนะี่ยคำตัดในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอดสิงค์คีปิสูรนะครับข้อที่สองรอยเก้าสิบสาม กล่าวถึงที่ตั้งเหตุความเพียรห้าอย่างนะครับหนึ่งในห้าข้อนั้นผู้ชมตัดไว้ว่าเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยความดีนะฮะนี่ยใครอยากเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยจะต้องเป็นยังไงนะความดีนะเราเนี่จะต้องประกอบด้วยเตโชธาก็คือความร้อนในร่างกายนะครับอันมีวิบากก็คือผลนั่นแหละนะเสมอการไม่เย็นนะไม่ร้อนนะเป็นอย่างกลาง ควรแก่ความเพียรฟังอันนี้ดีๆนะครับตอนนี้เราคือรหัสที่สําคัญมากนะที่จะมาไขไปสู่ความเป็นผู้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยนะครับตรงนี้สำคัญก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพบว่าการตัดสมดุนร้อนเย็นใช่หไหมไม่เย็นนักไม่ร้อนนักนี่แหละคือการตัดสมดุนร้อนเย็นเนี่ยจะทําให้มีโรคน้อยมีทุกข์น้อยส่งผลให้มีสภาพร่างกายที่พร้อมจะประกอบความเพียร น, นะครับซึ่งก็คือร่างกายที่แข็งแรงนั่นเอง ถร่างกายไม่แข็งแรงนประกอบความเพียงไม่ได้นะถ้าเราไม่แข็งแรงถามว่าเราทำงานได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันจะไปเพียรได้ยังไงเราไม่แข็งแรงไปลดกิเลสยิ่งยากใหญ่เลยนะไปลดกิเลส <c oughs> เพียรนี่จะลดกิเลสยิ่งยากใหญ่เลยเพียรการงานนี่ต้องไม่แข็งแรงนี่ก็ไปไม่ออกแล้วนะที่งลดกิเลสที่พุทเจ้าบอกยากที่สุดในโลกใช้พลังมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ร่างการที่แข็งแรง ผู้เจ้าเล่บอกว่าเนี่ยนะจะมีองค์ประกอบที่จะแข็งแรงหรือจะประกอบความเพียงได้เนี่ยต้องฝักสมบุญร้อนเย็นนะจึงต้องรู้จักหย็นอย่างหย็นก็คือเย็นอย่างก็คือร้อนจึงต้องรู้จักร้อนรู้จักเย็นนะครับอันนี้สําคัญถ้าเราไม่รู้จักร้อนไม่รู้จักเย็นไปไม่ออกร้อไฟไม่ออกล้อไปไม่รอดนะครับที่แรกผมนึกว่าหมอแผนจีนเท่นันนะที่รู้จักร้อนรู้จักเย็นนึกว่าจะเป็นแต่หมอแผนจีน ถ้าซึ่งทํําทามาประมาณนี่แหละหลักพันปีประมาณสองสามพันปีที่เด่นเดมานี่นะครับเราเรียกว่าแพทย์แผนจินว่าก็ว่านะเถ้าแพ่ยแผนจินทําอย่างเดียวเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เชื่อใจเท่าไหร่นะผมมีความรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยเชี่อใจแครเท่าไหร่นะแต่แต่ถ้าพุทธเจ้าแล้วก็ถ้พุทธเจ้าตัดมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แตมันเชื่อนะเพราะว่าเชื่อว่าพุทธเจ้าท่านไม่โกหกแ้วท่านตัดแต่ความจริงที่เป็นประโยชน์ที่พาคนทุกข์เพราะครบาอาจารย์มีสอนเลยว่าพุทธเจ้ามีแต่ตัดแต่ความจริงที่พาคนทุกข์เท่านั้น ความจริงที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเรื่องอื่นท่านไม่ตัดอันเรื่องเดียวเกิดมาเพื่อทาให้คนคนทุกข์พราะั้นานพุทธเจ้าตัดแล้วเราก็เชื่ อ, อเชื่อเครดิตเรียนสองแสนถึงแปดแสนสอขยเชื่อเครดิต18ดปดปริญญาเชื่อเครดิตชุปริญญาเอกอะไรงี้แล้จริงจริงแล้วเราปฏิบัติตามมันได้มากเด้ผลด้วยไม่ใช่่าเชื่อแค่นั้นหรอกนะจริงจริงปฏิบัติตามแล้วมันได้สันที่่านว่าจริงจริงเพราะงั้นเมื่อพุทธเจ้าตัดร้อนเย็นไว้แล้วแทแผจีมาพิสูจ ก็จะตัดไว้ตั้งแต่แปดแสนผสมไข่แล้วแพทย์แผนจีนก็ออกมาพิสูจน์แล้วนะพอมาพิสูจน์ปุ๊บแพทยแผนจีนอยู่ยงคงพันมาได้ทุกวันเนี้ยแล้วใครก็ตีไม่แตกน่าคิดมว่าทําไมใครก็ตีไม่แตกเพราะเขาไปเอาสัตจักของมนุษย์ที่เก่งที่สุดในโลกมาใช้โลกกวิถีผู้รู้โลกอย่างจำแจ้งอนุตรตรนุตตระผู้ไร้เทียมทานเอาสัตจักของผู้ไร้เทียมทานมาใช้ใครจะไปตีแตกนใครตีแพทย์แผนจีนตีให้ตายก็ไม่ตาย ไปตายก็ไม่ายเพราะเขาไปเอาสัจจคเถาฉลาดหมอแแพงจีงฉลาดไปเอาสัจจของมนุษย์ที่เก่งที่สุดในโลกมาใช้แล้วไปเอาสัจจที่เป็นอมตะที่จะไม่มีพวกลบล้างได้มาใช้เพราะจะไม่มีพวกลบล้างได้ทันจีนไะจะไม่มีพวกลบล้างได้เนี่ยถ้าจีนก็ทํามาดีถ้าทานไทยก็ทํามาดีนะแต่คนช่วงหลังตีไม่แตกถ้าานไทยก็ทําเรื่องร้อนเย็นเหมือนกันปรับสมดุลดินน้ำลมไฟนั่นแหละคือปรับสมดุลร้อนเย็น ดินก็เย็นน้าก็เย็นลมก็เย็นไฟมันร้อนนะครับแล้วก็ปรับเย็นปรับร้อนนั่นแหละแต่คนตีไม่แตกคนตีดินน้ําลมไฟไม่แตกเลยใช้แค่ถังไทยไม่เป็นให้ให้ตายก็ไม่ร้อนถ้าตีไม่แตกแล้วระยุไม่เป็นนะครับอายุเราเว่ยแล้วก็รรนะทำมาดีทําเรื่องการปรับร้อนปรับเย็นอะไรว่าตะปิตะเอะไรกะทะ ใช่ไหมไกลเลดเดียวแถบอุรเวทนะทาไปจะมึนหัวไป <c oughs> วการดิ้นน้ำลงไปอะไรครับกดินน้ำลงไปแต่ผมไม่สย า, ายความอะไรมากแต่เล่ามีฟังว่าอย่างน้อยก็มี ก็มีวงการแพทย์แผนเจีนวงการแพทแผนไทยวงการแพทย์อายุา ร, ย ร, รเวททำเรื่องน้อนเรืเย็นมาแล้วก็ยังใช้ได้ผลในคนที่ตีแต่งที่ด้วย่ยโอเคฉันแล้วยิ่งมายืนยันกับพระเจ้าบอกอันนี้แหละจะพาแข็งแรงอันนี้แหละจะพามีโรคน้อยมีทุกข์น้อยมันเพราะนั้นร้อนเย็นจะเป็นตัวที่สําคัญที่เราจะมาใช้เป็นกุญแจในการไขรหัสตรงนี้นะครับเป็นกุญแจที่สําคัญท่า น, นี้กุญแจที่สำคัญอันนี้เนี่ย